บุตธรรมชรานัมกัจฉาบุตธรรมราัมกัจฉาบุธรรมชราัมกัจฉาดัมม์ชราัมกัจฉาดัมม์ชรานัม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 วัดกลางอเภอบางปลามาจสุพรรณบุรีเรื่องสัพาสวะสังวรสูตรครั้งที่สี่ขอเชิญท่านรับฟังได้นำบัตรมีครับพา ที่แล้วก็พูดในเรื่องของสัภาสวะสังวรสูตรในสภาสวะสามวรสูตรนี่พูดเกี่ยวในเรื่องของการละอาสวะก็คือการละกามาสวะการลทิฏฐาสวะภาวาสวะแล้วก็อวิชาสวะแต่โดยในหลักโดยทั่วๆไปท่านจะกล่าวอาสวะสแต่อาสวะจริงๆแล้วมีสี่ก็มีอาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็น ตามความเป็นจริงเป็นต้นแล้วก็อาสะวะที่พึงละได้ด้วยดยการสํารวมอาสวะที่พึงละได้ด้วยการซ่องเศษอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะที่พึงละได้ด้วยการเว้นแล้วก็อาสวะที่พึงละได้ด้วยการบันเทาตลอดถึงอาสวะที่พึงละได้ด้วยการเจริญและการละอาสวะแต่ละวิธีเนี่ยจะสาเร็จได้ก็ต้องมี โยนิสโสมนัสิการก็คือการพิจารณาโดยแยกคายซึ่งเป็นปุปภากรธรรมเป็นธรรมเบื้องต้นนั่นเองฉะนั้นในพระสูตรสองสูตรแรกของมัชฌิมานิกายคือมูลปริยยสูตรท่านก็กล่าวในเรื่องของปรตโขโศกและสภาสวะสังวรสูตรก็กล่าวในเรื่องของโยนิสโสมนัสิการท่านจะกล่าวลักษณะอย่างนั้นทีนี้ในในพระสูตรเนี่ยที่ท่านกล่าวอย่างนี้ก็มาเชื่อมกันก็คือว่า ปาโตโคสะกับโยนิโสมนัสิการเนี่ยอันนั้นเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้เกิดมีความเข้าใจในการที่จะละอาสวะทั้งหลายดังที่ได้กล่าวทีนี้ครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของอาสวะที่พึงละด้วยด้วยความอดทนอดกลั้นที่เป็นอาเป็นข้อที่4ี่เพราะพิจารณาผ่านไปแล้วก็คือพูดในเรื่องของอดทนอดกลั้น ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายว่าอาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้ด้วยความอดกลัน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเห็นไ้มคาว่าพิจารณาโดยแยบคายแล้วนี่ก็เป็นชื่อของโยนิโสมนัสิกานนั่นเองก็คือใส่ใจโดยแยบคายพิจารณาใส่ใจโดยถูกทางถูกวิธีถูกอุบาย ฉะนั้นบอกว่าพิจารณาโดยแยบคายและเป็นผู้อดทนต่อหนาวร้อนหิวกระหายสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานเป็นผู้มีชาติของผู้มีความอดกลั้นต่อถ้อยคำที่ผู้อื่นกล่าวชั่วแล้วก็ร้ายแรงต่อเวทนาที่มีอยู่ในตัวซึ่งบังเกิดขึ้นเป็นทุกข์หนาแข็งกล้าแล้วก็ไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจอาจจะพาชีวิตเสียก็ได้ ฉะนั้นกรณีของความอดทนอดกลั้นเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันเหมือนกับว่าความอดทนเนี่ยก็แปลว่านเราเจ็บปวดเราทรมานแล้วเราเจ็บใจด้วยอย่างนี้ยนะทีนี้ความอดทนในความหมายของท่านท่านจะใช้กับคําว่าพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉนั้นคําว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วในขณะนั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรใจท่านไม่เจ็บปวด เหมือนพระสูตรที่เราเคยศึกษากันที่บอกว่าดูกรพระพุทธเจ้าตรัสโดยใจความว่าดูกรพระสูตรทั้งหลายบอกว่าปุตุชนที่ไม่ได้สดับกับผ้าริยาสาวกผู้ได้สดับยเนี่ยต่างกันตรงไหนในขณะที่ประสบทุกขเวทนาหรือประสบกับสิ่งเลวร้วายทั้งหลายที่โถมเข้ามาหาในชีวิตเนี่ยบอกต่างกันก็ตรงที่ว่าปุตุชนเนี่ยที่ไม่ได้สดับเนี่ยเวลาเจอทุกขเวทนาทางกายเป็นต้นเหล่าเนี้เนี่ยหรืเกิด ความหิวร้อนกระหายสัมผัสที่เกิดจากยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานหรือว่าคนที่กล่าวชั่วตลอดถึงว่าทุกขเวทนาในตัวที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์หนักแข็งกล้าไม่น่ายินดีไม่น่าชอบใจเนี่ยถ้าเจอความทุกข์อย่างนี้แล้วบุรุษชนที่ไม่ได้สะดับเนี่ยจะเจอหนึ่งทุกขกายสองใจก็เป็นทุกข์ทีนี้พอกายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วยก็จะเพอ้อตีอกชกตัวก็ล่ำให้บนเพอ้อ ว่าทำไมเราจึงประสบปัญหาประสบชีวิตอย่างนี้เหลือเกินเนี่ยใช่ไหม ก, ก็ก็ทุกข์ใจทรมานก็มีโศกกาลพดีเทวทุกขโทมนานัสสะแล้วก็อุบายญาตินี่พุทุชนที่ไม่ได้สดับจะเป็นอย่างนี้ส่วนพระอริยาสาวกเนี่ยเออท่านที่อุปมาบอ ก, บอกพุทุชนก่อนพุทธชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกับถูกยิงถูกลูกศรปักเข้าไปที่กายปุ๊บแล้วก็ถูกปักอีกดวงอีกดอกก็คือว่าหนึ่งกายก็ทุกข์สองใจก็ทุกข์ แต่พาริยาสาวกผู้ที่ได้สดับแล้วเนี่ยเมื่อเจอทุกขเวทนาไม่ว่าจะร้อนหิวกระหายหรือเจอยุงรมแดดหรือสัตว์เลื้อยคานเป็นต้นตลอดถึงคําพูดที่คนอื่นกล่าวชั่วเขาด่าใส่ร้ายป้ายสีต่างๆเหล่านี้ตลอดถึงทุกขเวทนาอย่างเจ็บปวดที่เกิดจากโรภคภัยไข้เจ็บหรือโดนกระทบกระทั่งโดนทิมโดนแทงเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยพริยาสาวกที่ได้สดับแล้วเนี่ยก็จะทุกขเฉพาะทางกายแต่ใจนั้นก็จะไม่มีโทมานัต ไม่มีปริเทวะแล้วก็ไม่มีอุปายาตเป็นต้นเห็นไหมว่าคือหนึ่งกายเป็นทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์เอ๊ะทําไมเขาก็มีความรู้สึกเขาไม่มีมีอแต่ทําไมใจเขาไม่ไปเป็นทุกข์ตรงนั้นนี่ยคือเขาเข้าใจเขาเข้าใจอะไรเขาเข้าใจว่าเวทนาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยสุขเวทนานั้นก็เกิดจากเหตุปัจจัย ทุกเวทนาก็เกิดจากเหตุปัจจัยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ากลุ่มที่บอกว่าหนึ่งอาศัยตาอาศัยรูปอาศัยจากขูวิญญาณอาศัยจากขู่สัมผัสก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาฉะนั้นถ้าหากว่าไปเจอหนึ่งสภาพตาก็ดีสภาพรูปก็ดีจากขูวิญญาณเกิดขึ้นมาพวกมีการกระทบกันพวกเนี่ยสุขเวทก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขสุขเวทนาก็เกิดขึ้น ฉะนั้นสภาพของที่เราเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเนี่ยที่ท่านไม่ทุกใจนั้นเนาะเพราะว่ารู้ใจของท่านไม่เป็นโทมนัสนั่นไม่ใช่ท่านไม่เจ็บไม่ใช่ท่านไม่ปวดแต่ว่าท่านรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยใช่ไหมเวทนาเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยในปัจจุบันบอกมีผัสสะเอาทําไมเราจรึงมีเวทนาในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นทั้งทุกขเวทนาเป็นต้นเหล่าเนี้ยถ้าเหตุในอดีตเพราะอะไรหนึ่งอวิชชาเกิดเวทนาก็เกิด ตัณหาในอดีตเกิดเวทนาก็เกิดใช่ไหมหรือกรรมเราทํากรรมไว้ในอดีตเนี่ยนั้นอวิชชาตัณหาและกรรมเนี่ยโดยเฉพาะอาวิชชาตัณหากรรมในอดีตเป็นต้นที่เป็นเหตุให้เราทํากรรมพอกรรมเหล่านั้นได้จังหวะได้โอกาสมาให้วิบากให้ผลในปัจจุบันนี้มันก็เราก็ได้รับเวทนาเหล่านี้นทีนี้แต่มันไม่ใช่เกิดเฉพาะตัณหาหรือเกิดจากกรรมเกิดจากอาวิชชาอย่างเดียว แต่เกิดจากภาษาด้วยเช่นการการเลี้ยงชีวิตหรือการใช้ชีวิตไม่สมดุลในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาได้เช่นทุกขเวทนาเป็นต้นเหล่านี้งนั้นสรุปก็คือว่าเหตุในปัจจุบันคือภาษะคือการกระทบทางตาหูจมูกเดินกายและใจเนี่ยก็เป็นปัจจัยเกิดชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นต้นนั้นคือกลุ่มผู้ดชนทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทาความคับแค้นเหล่าใดเพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่อดกลั้นอยู่ นั้นถ้าไม่อดการอาสวะและความเร่าร้อนการกระทำความคับแค้นนั้นย่อมย่อมไม่มีหือบอกถามว่าอาสวะและความเร่าร้อนการกระทําความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้ น, น mond, ผู้อดทนอดการอยู่อย่างนี้ถามบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าดดพึึงงบัเกิข้นแกกก่ิษุผู้มมีควาอดั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้อดกัารอยู่อย่างนี้เออถ้าเป็นคนอดทนเนี่ย อย่างที่เคยยกตัวอย่างที่บอกว่าเออที่พระยกตัวอย่างที่พระท่านเจอโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนแล้วพระก็ไปบอกท่านเอยท่านอดทนไหวไหมท่านก็ลุกขึ้นนั่งพอลุกขึ้นนั่งแล้วภาในที่สุดจริงๆก็คือว่าทนไม่ได้มีอาเจียนออกมาเป็นเลือดเป็นต้วเหนี้แต่ว่าท่านก็ได้บรรลุพิกษทุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราจะถาคตกล่าวว่าละได้ด้วยความอดการด้วยการอย่างนี้ฉะนั้นการละได้ด้วยการอดกลั้นเนี่ย อดกลั้นในที่นั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของขันติทีนี้ขันติเนี่ยที่บอกอดกลัน้นนั้นต้องอดกลั้นแบบไม่มีโทสะเกิดขึ้นมาด้วยที่ท่านยกตัวอย่างว่าพระเถระที่บําเพ็ญเพียรอยู่เนี่ยพิจารณาโลกาติกะนรกที่ตั้งอยู่ในระหว่างหรือในสมัยหิมะตกก็ไม่ยอมทิ้งกรรมฐ า, านอย่างเงี้ยแท้ที่จริงท่านเหล่านี้ท่านมีข้อเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับท่านเนี่ย ท่านก็จะไปเปรียบเทียบอุ้ยในนรกร้อนกว่านี้เยอะนี่นะี่ยหรือในนรกที่หนาวหรือประเทศที่หนาวเนี่ยมันทรมานกว่านี้มากพอพิจารณาอย่างนี้แล้วเนะี่ยใจท่านที่ท่านอดทนได้เพราะท่านมีกรรมฐานอยู่ที่นี้อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่าในขณะที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยใจเรามันไม่มีกรรมฐานใช่ไหมหรือไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่าเนี้ยมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตลอด ทียอมอยู่คนหนึ่งนะเขาจะทุกข์มากเวลาเด็เวลาไปสอนหนังสือไปอะไรต่างจะสอนหนังสืออยู่ให้กับเด็กต่างชาติแล้วก็เด็กคนไทยคือเด็กกล่านี้เขาโง่ดื้อมากเขาจะเป็นแบบประเภทที่มัน ญ, ญาติอย่างใ ไ, ไทยก็จะไม่ค่อยมีไม่รู้จะทําทไงแกเครียดก็เลยบอกว่าจริงๆเราจะไปจัดการกับเขามันไม่ได้แต่มันต้องจัดการกับความคิดของเราเนี่ยปัญหาว่าเออองค์เจริญดูที่จเจริญเมตตาเยอะ ทีนี้พอใจเป็นไปกับเมตตาไปว่ามีกรรมฐานพอมีกรรมฐานเบีเสร็จพอไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มากระทบกระทั่งเบีเสร็จคนก่อนก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วให้ทุกคือคือการจัดการกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องลําบากนะหนึ่งจัดการอีกอย่างหนึ่งก็จะไปโผล่ขึ้นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคือคือเราไปมองบอกว่าความทุกข์ของเราเพราะคนคนเนี้ย แต่เรากลับไม่คิดว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเพราะเราม่นัสิกานหรือเราไม่มีโยริโสมนัสิการเพราะเราทิ้งกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าถ้าเราจัดการที่ใจของเราเบ็ดเสร็จเสียเนี่ยเวลาการมองอะไรทีนี้เวลาเราเห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามที่เราคิดหรือปรารถนาเนี่ยทีนี้เราก็จะเริ่มวางใจตั ว, วเราเองถูกพอวางใจถูกแล้วเราเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจสังคมเบ็ดเสร็จเนี่ยไอการแก้ปัญหามันอีกระดับหนึ่งนี ทีนี้ถ้าใจเรายังแก้ไม่ได้เลยเนี่ยระหว่างความสุขกับความทุกข์ความเครียดความกังวลหรือความโลภเป็นต้นเนี่ยเรายังแก้ตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไปแก้สิ่งอื่นมีเสียเลยเนี่ย เ, เป็นอย่างไงถึงบอกว่าถ้าโทมนัสหรือความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอยู่กับกรรมฐานอย่างยกตัวอย่างเช่นในสติปัฏฐานสูตรที่เคยศึกษากันมาเนี่ยที่พระเจอเสือฆ่าไปแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหน้าผาใช่ไหม ที่แรกพระท่านก็ร้องบอกว่าท่านบูมีอายุช่วยข้าพเจ้าด้วยบอกว่าข้าพเจ้าโดนเสือกัดกแล้วกัดกแล้วพ้าก็ถือคบเพลิงไปอ้า ว, วิ่งไปเห็นอยู่บนหน้าผาอยู่บนป่าเขืออ่อนแล้วพระก็ว่าหมดทาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าออธรรมดาเนี่ยชาติบุรุษเนี่ยใช่ไหมหรือตามธรรมดาบัณฑิตเนี่ยในขณะที่ประสบกับความทุกข์เนี่ยก็จะไม่ทิ้งกรรมฐานที่พระเจ้าบอกไว้ ท่นเตือนแค่นี้เดินหันหลังกลับกันหมดเลยก็อย่างเราก็โอ้โ ห, โหน่าจะช่วยเราใช่ไหมทำไมเดินหนีแล้วก็จะมากังวลกับความคิดตรงเนี้ใช่ไหมหรือมาเจอรถทับก็ เ, เห็นโอ้โหมันขาดแลอีกครึ่งนึงเนี่ยใช่ไหมแล้วบอกโอ้ยตามธรรมดาชาติของบุรุษอาชาญนายเป็นต้นหรือชาติบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ทิ้งคําสอนของพระเจ้าเนี่ยแล้วแทนนี่ก็จะช่วยเดินอย่างนี้กลุ่มเลงเหมือนกับคนคนหนึ่งในะตอนนั้นที่ไปเกิดอุบัติเหตุที่แถวทังเชียงใหม่รถก็ชน โอมก็ไปรถทับแกคนบนรถเมย์ก็จอดปุ๊บดูเฮ้ตายหรือเปล่าว่าตายหรือเปล่าดูเขาแกก็กำลังดิ้นขอความช่วยเหลือเนี่ยได้ไม่ตายเขาเลยขับรถไปกันหมดเขากเครียดมากแค้นมากรออยู่งั้นอีกเป็นชั่วโมงนะจนมีคนมาช่วยแกแต่แกก็สลบไป ก่อนจะสลบกจะมีเงินอยู่กี่หมื่นไม่รู้กันดึงออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ยัดใส่มือคนนั้นแล้วก็สลบไปไม่รู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ทีงง่โรงพยาบาลให้เงินเงินก้อนนั้นก็ไม่หายโยนเขาคืนไว้กับทางหมอทางพยาบาลแล้วแต่คนนั้นไม่รู้หายไปไหนคนแกยังมาออกอากาศถามหาหคนช่วยไป <laughs> คือคือคือถ้าเรามองลักษณะอย่างนี้ว่าในทัศในความเห็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเห็นก็คือในใน พระในสมัยก่อ น, เ, นเวลาเกิดปัญหาจ ะ, จะเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยเขาจะคิดถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นี่จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของที่เขาจะต้องใช้ความอดทนเนี่ยเวทนาทางกายเนี่ยเป็นทุกข์พระอัตรว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการเนี่ยนะชื่อว่าหนาแน่นชื่อว่าแข็งพระอัตรว่าหยาบ ชื่อว่ากล้าก็เพราะว่าคมชื่อว่าไม่น่ายินดีเพราะเว้นจากความยินดีแล้วก็ไม่น่าชอบใจก็คือไม่เจริญใจเนะี่ยและเป็นเครื่องคั้นฆ่าเป็นเครื่องฆ่าชีวิตก็หมายความว่าสามารถทําให้ชีวิตนั้นตายได้ภิกษุใดอดกลั้นเวทนานั้นได้คือไม่หวั่นไหวได้แก่ดํารงอยู่ตามปกติภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรที่ท่านก็ยกตัวอย่างที่ได้กล่าวไว้ครั้งที่แล้วก็คือว่าท่าน ยืนบังเป็นเพียนอยู่ตลอดคืนลมในท้องก็เกิดขึ้นไม่สามารถจะอดกันได้ท่านก็บิดไปมาแล้วก็มีภิกษุพระเถลา้าู้ถือการบินธบาตเป็นวัดรูปหนึ่งยืนอยู่ข้างที่ชมคมก็กล่าวท่านว่าออโซธรรมดาบรรบชิตเป็นผู้มีความมีปกติอดกันนะท่พูดแค่นี้เพื่อตามธรรมดานรนบัชิตเนี่ยมีปกติอดกันนะถ้าอย่างเราบงทีเราเราทรมานหนักๆมีใครมาบอกเราอย่างนี้เราก็จะ ย, ย้อนเข้าใช่ไหมมลองเป็นดูอย่างนี้นะ พระเทละนั้นก็ดีแล้วผู้จเจริญเนขอบคุณเลยพอนอนนอนแล้วก็สงบนิ่งไม่ไหวลมในท้องก็เสียดเข้าหัวใจไปถึงนาทีท่านขมเวทนาทคู่เดียวก็เป็นผ้าหลานก็ เ, ออเป็นผ้านาคาก อ, อเป็นผ้าหลนแล้วท่านกับบรินิพานอย่างเงี้ยคือตายเลยอะ่ะไม่ไม่ท่านก็บิดไปบิดมาใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าพยายามแม่ลมมันมันมามามาเชื่อมเฉือนหัวใจ ก็ไปเตือนนี่ตามธรรมดามันไปเชิดมีปกติอดทนนี่ประนี้นัความอดทนของท่านเนี่ยอดทนแบบมีเหตุผลไม่ใช่บกเหมย่ยทนทนอย่างเราเราทนคนละเรื่องใช่ไหมทนแล้วโกรธ ด, ด้วยเงี้ยทนแล้วไม่พอใจด้วยแล้วทนแบบหน้าบึ้งด้วยเงี้ยหน้านิวคิ้วขมวดด้วยยังหนียวข้าวเงี้ยนะเนียวข้าวเนี่ยโนอะ้โหหนีวจัดเลยเนี่ยใครว่าพูดนิดหน่อยไม่ได้ไม่พูด คือที่แรกก็เดินกันไปดีๆอพอเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เริ่มไม่พูดกับคนข้างๆแล้วอันนี้ไม่ใอดทนแล้วคือไม่พอใจอ่ะใช่ไหมเราเห็นหน้าคนนี้แล้วเราเมีรู้สึกเราไม่พอใจเงียบๆไอ้ที่เงียบๆนั้นในใจก็คุณอยู่เงียบไม่ใช่อดทนนะคือความอดทนของท่านเนี่ยจะต้องมีโยนิโสมนสิการนั้นเป็นปัจจัยท่านพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงอดทนแต่ไม่ใช่ว่าพิจารณาโดยไม่แยกคายให้โทสะเกิดขึ้นวะแล้วแล้วไปเข้าใจว่าอดทน เช่นว่าโกรธด้วยแล้วเราไม่พูดหรือว่านั่งเฉยๆเยอจเอหน้าคนนี้ก็นั่งเฉยๆ ย, ยัยพูดกับมันเงี้สมวิญญนี่ยอันนี้ไม่ใช่อดถ้าอดทนนี้คือพิจารณาโดยแยบ ก, ก็คือเอาคําสอนของพุทธเจ้าเอากรรมฐานของพุทธเจ้าบทเบ็ดเสร็จม า, ม า, ม, ามาเป็นเครื่องดวงใจเพราะใจของเราเนี่บางทีไปสมมุติว่าเราไปมองหน้าใครนี่นะแล้วเกิดโทรศัท์ต้องเปลี่ยนนิมิตเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากปฏิฆะนิมิตเป็น เป็นอะไรเป็นเมตตานิมิตเป็นนิมิตที่เป็นปัจจัยเกิดเมตตาคือถ้ามองหน้าคนนี้ปุ๊บแล้วเป็นปัจจัยเกิดโทสะก็มองก็ได้ถ้ามองคนนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนนิมิตนะเปลี่ยนจากโทเปลี่ยนจากโทสะให้เป็นเมตตาพูดพูดเหมือนยากยังไหมมันก่อนเขาก็มารยาหลังในเขาชอบไปอยู่ประเทศหนึ่งเขาจะไปกันอย่างประเทศภูฐานหรือพูดา น, นที่มีกษัตริย์จิกมี่อะไรเงี้ยนะที่มาประเทศไทยพว้าประเทศนี้เป็นเมืองพุทธพุทธร้อยเอร์เ็นตะ์ ใครเขาก็ชอบไปเลยแต่ไปแล้วค่าใช้จ่ายแพงมากนาะเมืองเขาเนี่ยเป็นเมืองที่มีแต่ป่าเขาลําเนาไปแล้วเขาอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเขายังยังสำรวจประชากรทั้งโลกเนี่ยเขาบอกเป็นประเทศที่มีความสูงมากเลยคือหน่าอยู่ในเมืองแบบนี้พราะเป็นเมืองพุทธหมดเจดีของเขาเนี่ยเป็นเจดีแบบมหายานเนี่ยนั้นถ้าเจดีมหายานโดยทั่วๆไปสังเกตถ้าเดินไปเนี่ยไปว่าไปเจดีก็จะมีดวงตาอยู่สี่ด้านอยู่เต็ทิศเลยเป็นตาคู่เนีย ที่ละคู่นึ้นเป็นดวงตาเขาจะว่าเป็นดวงตาพระพุทธเจ้าพ้วด้านนั้นก็มีด้านนี้ก็มีดังนั้นเวลาเข้าไปในบริเวณนั้นเบรศเสร็จเขาวาไม่รู้ถามว่าเขาสร้างดวงตาไว้ทําไมเป็นเป็นเป็นคติบอกให้รู้บอกว่าเนี่ยอย่าทําชั่วนั้พราะพระพุทธเจ้ามองเราอยู่ี <c oughs> จริงๆด้วยหลักการตรงนี้เราก็รู้อยู่เนี่นว่าจริงๆด้วยหลักการคือว่าเทพเทวดาหรือคนที่มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายก็ เ, เห็นพฤติกรรมการกระทําของเรา ที่สําคัญที่สุดก็คือเราก็เห็นอยู่ในส่วนบางแห่งเขาก็บางแห่งเขาก็ให้เขาจะมีรูปไปอะไรเนี่ยก็ถ่ายมาก็าถ่ายมาดูกันรูปช้างรูปลิงรูปกระต่ายรูปนกใช่ไหมช้างยืนอยู่แล้วก็กระต่ายยืนบนคอช้างแล้วก็เออลิงยืนก่อนแล้วก็กระต่ายยืนอยู่บนคอลิงแล้วก็นกยืนยืนอยู่บนบนหัวกระต่ายแล้วก็กินช้างก็กินกินใน กินหญ้ากินอะไรที่ตายกินต้นไม้ไใบตังกินใบไม้กระตายหรือลิงเป็นต้นก็กิกนลูกกินผลไม้ก็าต่ายก็กินยอด น, นก ก, ก็กินผลไม้ข้างบ น, นแล้วเขาก็พูดในเรื่องให้สามัคคีสามัคคีถ้าสามัคคีแล้วมันจะต่างคนต่างก็เขาเรียกว่ามีกินกันแล้วก็จะมีความสุขแต่ถ้าแย่งกันแล้วมันมันมั น, ม น, มนจะอิ่มเป็นบางคนเนยแต่มันจะมีเพราะว่างน้ ก็จะพูดว่าเออก็น่าน่าจะมามามาเขียนไว้ในส้องคมไทยเยอะๆหนึ่งๆแต่ก็ยังว่าเขียนไปมันก็ไม่คิดกันประการต่อไปก็คืออาสวะที่พึงลักได้โดยการเว้นอาสวะที่พึงลักได้โดยการเว้นอาสวะที่พึงรักได้โดยการเว้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการมาสวะพระวสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเหล่าไหนที่พึงลักได้โดยการเว้นรอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้ว หลีกหนีช้างที่ดุม้าที่ดุร้ายโคที่ดุร้ายสุนัขที่ดุร้ายหลีกหนีหลักต่อสถานที่มีหนามบ่อเหียวที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดโสโครกเพื่อนพมจันผู้เป็นวิญญาชนทั้งหลายพึงกำหนดลงซึ่งบุคคลผู้นั่งนัทที่มิใช่อาสนะเห็นปานนั้นผู้เที่ยวไปในที่ที่มิใช่โคจรเห็นปานนั้นผู้คบมิที่ลามกเห็นปานนั้นสถานที่ทั้งหลายอัลลามก ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเว้นที่มิใช่อาสะวะนั้นที่มิใช่โคจร น, นั้นและมิตรผู้ลามกเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายจริงอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นใจเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่เว้นสถานหรือบุคคลอันใดอันหนึ่งอาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุ ผู้เว้นล้วรอบอยู่อย่างดูกรภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านั้นเราจะถากขดกล่าวว่าพึงละได้โดยการเว้นรอบการเว้นรอบเนี่ยภิกษุไม่พึงอยู่ในที่ใกล้ช้างตัวดุร้ายด้วยคิดว่าเราเป็นสมณะดังนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการป้องกันเออพระบางรูปที่ที่ไปปฏิบัติกันที่เขาใหญ่จะโดนช้างกระทือบเหยียบตายนนเนี่ย ไม่อ่านสูตรนี้ให้ดีคือบางที่บางแห่งเนี่ยก็ต้องดูว่าช้างดุม้าดุโคโดุสุนัขดุงูหรือหลักตอสถานที่มีหนามบ่อเหี่ยวเป็นต้นที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดโสโครกและต่อมาคือว่าเพื่อนพรมจันทรย์คือคือสถานที่ต่างๆเหล่านี้ท่านให้พิจารณาโดยแยบคายก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือโอกาสท่านเป็นที่รวมเปือกตมของไม่สะอาด คือสถานที่ชั่วร้ายคล้ายกับมีอมนุษย์เป็นต้นเหล่านี้ท่านใ hey ห้เว้นเสียเขาเรียกว่าอ า, อาสนะเหล่านั้นเป็นอาสนะที่ไม่สวมควรเขาชื่อว่า อ, อ, น, าอนาสนะคือสถานที่ไม่ควรไปอยู่เช่นที่บางแห่งเนี่ยงูดุเยอะเหลือเกินเนี่ยพระบวชใหม่ก็เฮ้ยเราเรียนกรรมฐานสมมติงเงี้ยนะทั้งๆ้ ง, ท, งที่ใจทั้งตนเองก็ไม่ได้บิน กรรมฐานจริงๆตัวเองก็ไม่ได้หนักแน่นบารมีทำจริงๆก็ยังไม่เพียงพอใดๆเลยเนยแต่ต้องการไปวัดอย่างนั้นนะนี้ก็เจ็บปวดหรืออย่างพระบางองค์ที่ไปอยู่ทางที่บางแห่งเป็นที่ที่เขากําลังนั่นผลประโยชน์กันเวลาไปอยู่ก็ถูกฆ่าตายเนี่ยที่ว่าโอ้ไปต่อสู้กับชาวบ้านเขาเพื่อจะรักษาป่ารักษาอะไรก็ว่าไปซึ่งมันต้องเป็นกิจของชาวบ้านเขาทากันยังไงแต่พระเขาไปขวางประโยชน์เขาอย่างเงี้ยแล้วก็ในพระเ ข, เขาข้าว อีกอย่างก็คืออโคโจรทั้งหลายคือราสุลาบ้างสถานที่ที่ไม่ควรไปสู่บางสถานที่อโคโจรทั้งหลายที่ท่องเที่ยวต่งางๆเหล่าเนี้ยหรือมิตรชั่วที่เขาเรียกว่ามิตรคือผู้ทุศีนทั้งหลายเนี่ยเพื่อนพมอาจารย์ทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตคือผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้อะท่านก็บอกว่าเอออย่างนี้เป็นมิตรชั่วเป็นต้นเหล่าเนี้ยนั้นหากว่าไปคบมิตรที่ไม่ดีเป็นต้นเหล่าเนี้ย มันจะเสียหายคือกา ม, มาสะวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือทิฏฐาสะวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเอาวิชาสะวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเป็นต้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เจริญไปบูรย์ยิ่งขึ้นเพราะการเสดคบสมาคมกับคนไม่ดีทั้งหลายอันนี้ก็ต้องเป็นโทษประการต่อมาคือสถานที่ทั้งหลายที่ลามกคือสถานที่ที่ไปอยู่แล้วเป็นปัจจัยแก่การทําให้จิตเราเป็นบาป ภิกษุนั้นไม่เว้นบรรดาอันตรายมีช้างเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุให้การ ม, มาสะวะเกิดแก่ภิกษุผู้ประสบความทุกข์มีช้างเป็นต้นเหล่านั้นเกิดขึ้นในที่สุดจริงๆก็ก็เสียหายฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็ถ้งบอกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการเว้นหนึ่งที่ที่ไปแล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยแก่การทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดไม่ดีไม่ได้ที่ตรงนั้นก็ต้องเว้น ถ้าบุคคลก็คือว่าบุคคลใดแล้วเราไปคบค้าสมาคมด้วยแล้วเนี่ยเป็นปั จ, จัยทําให้เกิดราคะโทสะโมหะมากขึ้นเป็นปัจจัยเกิดกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะอวิชชาสะวะมากขึ้นบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ควรไม่ควรคบแล้วต้องเว้นเนี่ยอันนี้ก็ไปพิจารณาเนี่ยที่จริงการเว้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ ท, ที่ที่ควรกระทาประการที่หกอ า, าสะวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทา ภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้ด้วยการบรรเทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทากามาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ศูนย์ทำให้ให้ถึงความไม่มีอดกลั้นย่อมละบรรทาพยาบาทวิตกที่เกิดแล้วทําให้ศูนย์ให้ถึงความไม่มีย่อมอดกั้นย่อมบรรเทาพยาบาทวิตกที่เกิดแล้วทําให้ศูนย์ทำให้ถึงความไม่มีอดกลั้น ย่อมละย่อมบรรเทาวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทําให้สิ้นศูนย์ทำให้ถึงความไม่มี investigate investigate investigate investigate ย่อมอดกั้นย่อมละย่อมบรรเทาธรรมที่เป็นบาปอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วทําให้ศูนย์ให้ถึงความไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นใจเราใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุ น, นั้นผู้ไม่บรรเทาธรรมอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นใจเหล่า น, นั้นย่อมไม่มีแกภิกษุผู้บรรเทา อ, อยู่อย่างนี้ พิสูจน์ทั้งหลายอาสะวะเหล่านี้เราจะถากดกล่าวว่ายํอมละได้ด้วยการบรเทาตรงนี้ให้สังเกตดูก็คือพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็เห็นโทษในการมวิตกโดยแยบคายเออวิตกนี้วิธีพิจารณาเออการมวิตกการตรึกไปในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสการตรึกไปในเรื่องของกามคุณการคิดไปในเรื่องของการมคุณเนี่ยอันนี้เป็นบาปเป็นอกุศล น, นะว่ั้นนะ่ วิตกนี้มีโทษแม้เพราะเหตุนี้วิตกเหล่านี้แล่ย่อมเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองเพื่อการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็บอกเฮ้ยตอนนี้การมวิตกได้บังเกิดขึ้นแก่เราแล้วเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วในอารมณ์นั้นๆยกจิตขึ้นเสียแล้วให้การมวิตกหยุดอยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ให้การมวิตกหยุดอยู่ภายในพิสูจเมื่อยับยัง้งไม่ได้จะทําอย่างไรเขาบอกว่าสมมุติเจ้าวิตกนั้นเกิดขึ้นในใจมีการมวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายับยั้ง ทำให้มันลุกลามไม่ได้ทํำยังไงเขาบอกว่าละคือทิ้งวิตกนั้นเสียพูดเหมือนง่ายเหมือนกันในเวลาที่เราเกิดความอย่างเช่นกามวิตกเกิดขึ้นหรือพยาบาทวิตกเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าถ้ามันละไอ้ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรายับยั้งมันไม่ได้เช่นแต่ก่อนใจเราไม่มีกามวิตกไม่มีพยาบาทวิตกไม่มีวิหิงสาวิตกเป็นต้นคือหนึ่งไม่โลภไม่โกรธหรือว่าไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเนี่ย แต่ต่อมาในอวิตกเหล่านี้มันเข้ามาในใจเมื่อเข้ามาในใจเบ็ดเสร็จนั้นเนะ่ะเราต้องรีบยับยั้งใหญ่มันลุกลามแล้วค่อยๆละเลยที่ถ้าละไม่ได้หรือยับยั้งไม่ได้ทิ้งมันเหมือนว่าเราได้ของมาใช่ไหมเราก็บไวนะ้เนี่ยพูโยนทิ้งพูดเหมือนง่ายใช่ไหมเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นมาแล้วมองเหมือนวัตถุน่ะทิ้งเลยโยนทิ้งไปคือไม่ใช่ไปจัดการให้เสร็จแล้วทิ้งนะคือว่าทิ้งไปเลยทิ้งความโกรธนั้นไปเลยเนี่ยก็บอกว่า ภิกษุจะทิ้งซึ่งวิตกเหมือนคนเอาตะ ก, กร้าตักอยากเยืยดทิ้งหรือบอกไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าภิกษุย่อมบรรเทาคือถอนได้แก่แทงหมายความว่านําออกไปซึ่งการมอวิตกนะั้นถามว่าแทงเหมือนกับบุคคลเอาประตัดแทงโครหรือเปล่าบอกไม่ใช่อย่างนั้นโดยที่แท้แล้วทํากามอวิตกนั้นให้ย่อยยับไปนี่เป็นอย่างนี้นะ คือโดยที่แท้ก็คือทําการมรรตกนั้นให้ย่อยยับไปคือให้ปราศจากโดยที่มันไม่เหลืออยู่ในภายในของภิกษุนั้นโดยที่สุดแม้แต่พะวังก็จิตก็ไม่มีอยู่คือจิตของคนเราเนี่ยกว่าที่มันจะมาเป็นความโลภได้เนี่ยแปลว่ามีเหตุปัจจัยมาที่เหตุปัจจัยหลักๆเลยก็คือว่าหนึ่งเราละไม่ได้เช่นเวลาเราเกิดความโลภหรือความโกรธหรือความหลงเป็นต้น น, นี้เวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บ เวลาสิ่งเหล่านั้นหายไปแล้วมันไม่หมดเขาเรียกว่าคําว่าอนุสัยเนี่ยการมราคาอนุใสเป็นต้นเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดว่ามันมีเชื้ออยู่ใช่ไหมเพราะแต่ก่อนมันไม่มีแล้วอยู่ๆพอได้เหตุปัจจัยแล้วมันเกิดขึ้ น, นแสดงให้เห็นชัดว่าเรายังถอนพรากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้น น, นในกระแสจิตออกได้ไม่เด็ดขาดมันเหมือนกับว่ามเมล็ดพืชเนี่ยถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทําลายอย่างเหนียวเป็นต้นได้เนี่ย ถ้ามันได้เหตุปัจจัยเมื่อไหร่มันก็ขึ้นใช่ไหมพวกมเมล็ดพืชทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือมะขามมะม่วงเป็นต้นเนี่ยที่มันสามารถขึ้นมาได้เพราะมันได้เหตุได้ปัจจัยที่จะขึ้นทีนี้มันยังไม่ขึ้นทั้งๆ ท, ท, ที่ยางเหนียวมันอยู่เพราะเราไม่เอาไปลงดินไม่ไปพวนไม่ไปไปรดน้ำพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยมันก็ยังไม่ขึ้น ที่ยกตัวอย่างเช่นเราเก็บไว้ในที่แห้งๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างทุกวันในกิเลสบางอย่างของเราที่มันยังไม่เกิดเนี่ยเพราะอะไรมันยังไม่ได้ปัจจัยที่จะเกิดเช่นเรามาฟังธรรมเสี้ยเนี่ยเออเราฟังธรรมเราสวดมนต์ตอนนั้นว่าใจเราก็สึกสบายปลอดโปร่งโล่งและเป็นกุศลไม่ใช่วันในขณนะนั้นเนี่ยแต่พอมันไปได้เหตุปัจจัยเช่นไปได้อารมณ์ที่น่ารักน่าชอบใจขึ้นมามันก็ยึดติดแล้วก็ถือไปได้อารมณ์ที่เป็นปฏิฆะขึ้นมา มันก็ไม่ชอบใจหรือไปได้เหตุได้ได้อารมณ์ที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงขึ้นมามันก็ไปหลงไปไปยึดติดอยู่สแสดงให้เห็นชัดว่าจริ ง, รงๆและใ น, ในใจของเราเนี่ยมันยังในกระแสจิตของเราหรือในขันธสันดานเนี่ยเรายังไม่สามารถขจัดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นการวิตตกมันเกิดจับใครเกิดกับบุคคลที่ไม่ค่อยพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามถ้ามาพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามมากๆหรือจเจริญอสุภกรรมาฐานบ่อยที่สุดนี่นะ อะไรไม่เกิดรู้ไหมการไม่ตกจับไม่ค่อยเกิดแต่คําว่าไม่ค่อยเกิดในขนาดนั้นน่ะไว้วางใจได้ไหมไม่ได้ถ้าตราบใดที่ว่ากระแสจิตของเราทิ้งกรรมาฐานก็คือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นต้อนอะไรนี้ในสุดจริงมันก็กลับเข้ามาใหม่เพราะว่าหนึ่งยังไม่ไลได้เบ็ดเด็ ด, ด, ดขาดเหมือนพยาบาทวิตกเหมือนกันที่ไม่เกิดกับคนที่จเจริญเมตตาเป็นอัธยาศัยแต่ว่าไม่ใช่ว่าจเจริญเมตตาอย่างเดียวจะละได้เด็ดขาดนะ พราะถ้าหากไม่สามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญวิปษษัสนาเป็นต้นเป็นอบรมอริยมรรคให้เกิดขึ้นปะหารราคะโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาดแล้วเนี่ยแสดงว่าแม้ในภวังขจิตของเราก็ยังมีอยู่ฉะนั้นในขณะที่เรานอนหลับนี่นะคนคนนี้เขานอนหลับแล้วในตอนนี้ราคะโทสะโมหะไม่เกิดจริงไม่จริงแต่ไม่ใช่มันไม่มีนะที่มันตอนนั้นนะที่ว่าโอ้ยดูนอนสบายใครดา่าใครว่าก็ไม่ไม่โกรธเนี่ยนะ พราไม่ได้ยินเป็นต้นแบบนี้ก็เหมือนกับที่เราไม่เห็นนะเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับเราเขาไปทําผิดทําชั่วอะไรเยอะแยะถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยเราไม่โกรธเขาเลยนะคิดถึงเขาทีไรเราก็เมตตาเขามีความรักปรารถนาดีกับเขาไม่ใช่ว่าเราไม่มีกิเลสในการไปโกรธหรือไปโลภไปหลงในตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมฉันมีอยู่แต่พอทราบข่าวว่าโอ้ยเอาแล้วอีกคนนั้นไปทําเสียงหายขึ้นมาเลยมันเกิดแล้ว เนี่ยโทษของการที่ล่า บ, บาปอากุศลอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทีนี้บอกว่าย่อมยังกามวิตกนั้นให้ถึงความไม่มีคือให้ถึงความไม่มีไปทีละน้อยละน้อยทันว่าอย่างนั้นวิธีล่าเนี่นะคือย่อมทําโดยประการที่วิตกนั้นเป็นอันเธอข่มไว้ได้โดยกาด้วย ก, ว, ยกวิขำพระนภาหานเขอกนี้ อ, อสมมุติว่าสมมุติบอกว่าถ้าถ้ากามวิตตกเนี่ยที่มันจะเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ย วิธีจะข่มได้ด้วยวิคัมพนภะผานทํำยังไงเขาบอกข่ขมได้ด้วยข่มได้ด้วยการเจริญสมาถะกรรมฐานยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าไปเอาเกสาเกษามาพิจารณามีไหมพวกเอามาเจริญหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอะไรนี้มาเจริญเป็นต้นไปตามดับที่ใจพอพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอะไรนี้มันเห็นเป็นของไม่งาม ในที่สุดจริงๆสามารถทําฌานให้เกิดขึ้นได้คือได้เปโมาฌานแต่การไม่ตกจะถูกข่มได้ด้วยด้วยวิคัมพนาบานแบบว่าโดยการกดข่มไว้ได้แต่ถ้าหากว่าพิจรารณาเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นเหล่านี้สามารถละได้อย่างเด็ดขาดอันนั้นก็เป็นสมุูเฉตอาหารฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่เขาล ะ, ละได้ด้วยด้วยการเจริญสมถกรรมฐานกับละได้โดยการเจริญวิปัสสนานี่เป็นอย่างนี้ที่นี้ว่า เกี่ยวในเรื่องของวินยูชนว่าวินยูชนเนี่ยหรือความว่าเพื่อนพมจารีทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตคือผู้สมบูรณ์ด้วยเป็นชื่อของภิกษุอาสวะที่พึงละได้เนี่ยที่พึงละได้ด้วยการด้วยการบรรเทาเนี่ยเนี่ยบอกว่าย่อมยางกามวิตกนั้นให้ถึงความไม่มีคือย่อมให้ถึงความไม่มีไปทีละน้อยละน้อยแปลว่าอะไรแปลท่านเน้นบอกว่าเออการละพวกกามวิตกทั้งหลายเนี่ย ให้ทํากิจในการละไปเรื่อยๆให้ละไปเรื่อยๆจนถึงว่าวิตกเหล่านั้นมันไม่มีไม่มีแปลว่าไม่เกิดจะละได้ด้วยที่จริงการละด้วยแต่ทางพ้าประหารได้ไม่ได้แต่ในที่นี้ท่านเน้นวิขำพระนภประหารแล้วก็สมุดเชื้อทาประหารที่ท่านเน้นตรงนี้ก็ไว้ก็เพราะต้องการอยากจะให้รู้บอกว่าการละเนี่ยในวิพังค์ท่างกล่าวาาว่ากามวิตตกเนี่ยวิตตกที่ปฏิสงัง ที่ประกอบกับกา ร, รมคือความดำริผิดที่เชื่ อ, รรอว่าการมวิรตกเนี่ยท่านบอกว่าให้ละด้วยสมัมมประธานอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วบาปอากุศลที่ประจักษ์โดยความเกิดขึ้นในกระแสจิตของตนว่าเราได้กระทําบาปอากุศลกรรมนี้ไว้ในการกอ่อนเป็นตน้นเพื่อขจัดเพื่อทําให้บาปอากุศลธรรมมีสภาพไม่เกิดในกระแสจิตของตนตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะประลีนิพพาน ทีนี้การการตั้งอัธยาศัยในการที่จะละบาปเนี่ยท่านบอกว่าอุปปั น, นาอุปัปณะปันณีเป็นต้นเลยเกิดขึ้นแล้วอุบัติขึ้นแล้วพอแต่สักว่าเกิดขึ้นแล้วเท่านั้นพิกิตรก็บรรเทาอากุศลวิตกมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่บังเกิดขึ้นคราวเดียวได้แล้วในเวลาที่สองถึงเธอจะไม่ได้เพ่งเล็งเธอก็ย่อมบรรเทาอากุศลวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าเวาลาละเนี่ย ละครั้งที่หนึ่งละไปแล้วเวลาเกิดก็ละไปเรื่อยๆพยายามละลไปเรื่อยๆไอการพยายามละไปเรื่อยๆหรือพยายามกันไปเรื่อยๆเนี่ยมาจากคําว่าละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือถ้าหากว่าเป็นกามวิตกเป็นต้นเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านให้เพียรละเพียรละคําว่าเพียรละในที่นั้นก็แปลว่าหาคําสอนที่พุทธเจ้ากล่าวในเรื่องการแก้กันไปถ้าเราเป็นผู้มากไปด้วยกามวรตกก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานถ้าเป็นผู้มากไปด้วย พยาบาทวิตกก็จเจริญเมตตากรรมฐานถ้าเป็นผู้มากไปด้วยวิหิงสาวิตกก็จเจริญกรุณากรรมฐานวิหิงสามเบียดเบียนเขาใช่ไหมแสดงว่าเราขาดการุณาเขาก็จเจริญกรุณาเขาเลยถามว่าเออพิจารณาอย่างไรงั้นเราจิตจะมากจะคอยคิดเบียดเบียนสมัยเป็นเด็กเนี่ยชอบคิดเนี่ยชอบคิดเบียดเบียนเขาเช่นเราที่เราจะแข่งอะไรกับเขาเนี่ยเวลาจะวิ่งแข่งกับเขาเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องเมถ้าเขาเกิดหกล้มหรือว่า เขาเกิดเป็นอะไรไปนี่เราเราก็เขากระแพเราก็ในบรรดานักร้องก็เหมือนกันใช่ไหมเวลาเขไปร้องเพลงเขาก็คิดนี่ถ้าเกิดไอ้คนนี้เจ็บคอมอะไรเสร็จเราอนี่นี่คิดเบียดเบียนเขาอย่างเงียอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิหิงสาววิตกที่เย็บผ้าทีดอย่างเงอาแล้วก็ถ้าคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดอย่งเงี้แต่ถบ้านนั้นเขาไปไหมถ้าไอหรือว่าถ้าหากว่าไอเครื่องไอที่เย็บจากหรือเย็บผ้ามันพังหมดเรื่องหายไปนี่เขาก็ต้องมาติดต่อที่เราเรื่องนี้นึง คือคือบางทีบางทีความรู้สึกคิดในลักษณะนี้การแข่งขันทุกชนิดเนี่ยมันจะคิดแบบนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยกับประเทศเวียดนามมีไหมเขาบอกว่าพอประเทศทเวียดนามเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยเป็นต้นแบบนี้ประเทศไทยยิ้มเลยบอกเราส่งข้าวออกได้มากอย่างเงี้นะะอย่างนี้เป น, ะนคิดเบียดเบียนเขาแทนนี่เป็นวิหิงสาวิตร ก, ก็ก็จะคิดในลักษณะอย่างเนี้ยชาวโลกทั้งหลายก็ไม่มีการุณากัน บางทีเราก็ไปช่วยเขานะแต่ในขณะที่ไปช่วยเขาเนะี่ยเราดีใจเนะเพราะว่าเราจะได้ส่งข้าวออกดเ <c oughs> ข้าใจยังไม่ว่าถ้าถ้าคนขาดการุนากันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นใจไหมแสดงออกซึ่งความเห็นใจไม่เห็นใจแต่มันเห็นใจแบบปแปลกๆเห็นใจแบบประเภทที่มันไม่ได้น้ำใสใจจริงสัเท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้น น, นี่เป็นอย่างี้ฉะนั้นในในโลกใบนี้ก็จะเป็นอย่างนี้น คนที่ไม่ได้เจริญในกุศลและธรรมกันทั้งหลายนีย่จะเห็นระหว่างรัฐต่อรัฐระหว่างประเทศต่อประเทศจนถึงระหว่างบุคคลต่อบุคคลถ้าถ้าไม่มีถ้าไอเป็นวิหิงสาวิตกไปคิดเบียดเบียนเขาก็จะคิดแบบนี้ก็แย่งเดินไปอย่างนะประเทศติดกันก็จะขาดตรงนี้นี่เขาเรียกว่าต้องบาปอกุศลและธรรมที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหนึ่งการมววิตกเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นก็ต้องว่า เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นยังไงบอกหนึ่งมันเกิดขึ้นประจักษ์ชัดในกระแสจิตของตนของเราแล้วเราได้กระทําบาปอกุศนนั้นไว้ตอนไหนทําไมบาปอากุศลจึงเกิดขึ้นในกระแสจิตเราในขณะ น, นี้โอ้เราเคยทําไว้ในอดีตทีนี้บาปอากุศลที่เคยทําแล้วในอดีตเนี่ยมันเข้ามาเกิดในใจของเราเนี่ยเรายังละไม่ได้บาปต้องเพียนเขาใช้คำว่าประหารประหานายะเพื่อขจัดเพื่อทําให้บาปอกุศลมีสภาพเกิด ไม่เกิดในกระแสะจิตของเราเขาบอกจริงๆวิธีการจะละบาปเนี่ยเขาตั้งอัธยาศัยกันนะยกตัวอย่างเช่นไปทําผิดมาแล้วเนี่ยก็สมาทานในใจเลยว่าพูดออกมาเลยก็ได้ถ้าเป็นพระเนี่ยเขาเขาเข า, เขาพูดเลยเนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นพระไปต้องอบัตหบาปว่าเออกาลังฉันอยู่แล้วพูดมีมีข้าวอยู่ในปากเป็นอบับบตปพระท่านก็ไปสแสดงไม่บอกกับเพื่อนพ ม, มจันลิพมาจารย์ด้วยกนันเนี่ยนะไปบอกว่าเออข้าพเจ้าเนี่ยได้ต้องอบับบาป ในการที่ขาดการสํารวมระวังในขณะที่กินอาหารไว้นี่นะข้าวอยู่ในในป่ากกับพูดผิดพุทธบัญญตัติฉะนั้นให้ให้ให้ท่านจำเข้าพระเจ้าไว้เป็นผู้ต้องอาบัติเนี่ยแล้วต่อไปข้าพระเจ้าจักสํารวมว่ราะงั้นนะจักสํารวมทางกายสํารวมทางวาจาสํารวมทางใจต่อไปคือจะระมัดระวังจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกถ้าอีกรอบหนึ่งต้าบอกสาธุ ด, ดีแล้วสาธุ ด, ดีแล้วสาธุ ด, ดีแล้ววันพรุ่งนี้ไปทําต่อยี่ไม่ใช่นะ คืออันนี้แปลว่าอะไรไหมเวลาท่านจะสมาทานในการที่ตั้งใจท่านไปบอกเลยไปเปิดเผยเลยทางทางพระเนี่ยทําผิดแล้วท่านเปิดเผยทีนี้เวลาไปเปิดเผยแล้วไม่พอใช่ไหมยังต้องไปยืนยันบอกต่อไปครับพรเจ้าจักระมัดระวังจักไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วถ้าพวกเราทําสมมุติว่าเกิดมีความผิดพลาดอย่างนี้ขึ้นมาเราไปบอกใครบอกเพื่อนกันก็ได้ยังจะบอกเออเนี่ยเมื่อวานนี้ทําผิดไปสเล่นเออ ต่อไปจักสํารวมระวังใหม่เพื่อนอีกคนนึ่งก็บอกเ อ, อดีแล้วไห้ละมั่นระวังเนี่ยใช่ไหมอาจทำไมทําผิดออาไหนบอกแล้วทำไมถึงทําทำอยู่เรื่องนี้ประการต่อมาคืออนุปันนานังที่ยังไม่เกิดคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่ไม่เคยประจักษ์ว่าได้เคยเกิดขึ้นแล้วในกระแสจิตขั้นต้นแต่ประจักษ์ว่าเห็นนึอได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นออย่างยกตัวอย่างเช่นบางทีเนี่ยพอกามาวิตกมากๆเนี่ยที่ผิดมากๆเนี่ย หรือบางอย่างเนะี่ยหรือพยาบาทวิตกเป็นต้นบางอย่างกรรมบางอย่างเนี่ยนะพวกวิตกทั้งหลายที่มันยกตัวอย่างเช่นว่าการฆ่าการทําลายการเบียดเบียนคนอื่นเขาแบบรุนแรงรุนแรงเนี่ยเราได้ยินข่าวใช่ไหมบอก oh, โอ้โหคนนั้นไม่น่านเล ย, เยทําไมคนนั้นโลภขนาดนั้นนะไม่โกงขนาดนั้นทําไมอยากได้สมบัติของคนอื่นขนาดนั้นเอทําไมคนคนนั้นถึงสามารถ โกรธแล้วฆ่าคนได้ยังวิจิตพิสดารอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าเคยได้ยินมาอย่างเงี้ยอันนี้คําบอกว่าต้องเป็นอนุปาถายะคือเพื่อห้ามเพื่อขจัดมูลเหตุแห่งการเกิดขึ้นของวิตกเหล่านั้นใข้ครวญบอกว่าเออการมวิตกภยาบาทวิตกวิชิงสาวิตกหรืออกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยที่ทําให้เราสัตว์สั่งสมกิเลสหรือบาปอย่างนี้ยังมีอยู่ในเราเสมอเนี่เรายังไม่พ้นจากบาปอากุศลธรรมเหล่านั้น เราอาจจะก่อให้เกิดกิเลสหรือกรรมนั้นในกระแสะจิตของตนในวันพรุ่งนี้มาลืนหรือในภพอื่นก็ได้วิธีคิดก็คิดแบบนี้เช่นไหว่ากรรมวิตรตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตตกเนี่ยที่ยังไม่เคยเกิดกับเราเนี่ยแต่จะเกิดกับเราในวันนี้วันพรุ่งนี้วันบาลืนนี้หรือในภพหน้าต่อเป็นต้นต่อไปก็ได้เขบอกต้องรีบข้ามเลยเขาสอนไม่ไม่ให้ประมาทประการต่อมาตรงนี้ก็คือว่าอากุสลวิตกจะแก่การมวิตก หรือมหาวิตกทั้งหลายเหล่าเนี้ยนะวิตกถึงญาติวิตกถึงชนบทวิตกถึงเทวดาวิตกที่ประกอบไปด้วยความเป็นผู้เอ็นดูต่อผู้อื่นวิตกที่สัมพยุทธ์ได้ลาบสกาละเกียรติยศวิตกที่ปฏิสนุยได้สิ่งอื่นอื่นอาสวะและความเร่าร้อนความคับแค้นใจเกิดขึ้นแก่พิจูผู้บรรเทาไม่ได้ซึ่งวิตกทั้งหลายเหล่านี้เขาบอกว่าเออจริงๆเิงไงบรรดาวิตกเหล่านี้เวลามันเกิดขึ้นมาบางทียกตัวอย่างเช่นบางทีเราคิดถึงญาติคิดถึงญาติบางทีเราก็เกิดการมัววิตกนะ บางทีก็พยาบามวิตกไม่พอใจบางทีก็เหมียญาติคนเนี้คิดเบียดเบียนเขาดีคิดถึงชนนบทเป็นไปได้ไหมคิดถึงที่เขาหมู่คนอื่นหมู่บ้านของคนอื่นที่เขาอยู่กันใช่ไหมเราเกิดชอบใจตรงนั้นก็ได้แล้วโกรธก็ได้คนคนนี้มันย้ายไปอยู่ตรงนั้นเราจะย้ายไปก่อนมันไม่ได้ย้ายเปน็นต้นเหล่านี้หรือวิตกถึงเทวดาอุ้ชอบใจใช่ไหมวิตกที่ประกอบด้วยความเป็นผู้เอ็นดูต่อผู้อื่นเป็นตน้นเหล่นี้ย หรือลาบสกาละสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นวิตกที่วิตกนะั้นเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีในที่นี้ท่านเน้นใ ห, ให้เจริญกุศลวิตกแล้วก็ให้ละอกุศลวิตกเป็นต้นดังที่ได้เคยกล่าวมาในลักษณปะปหาตัปพาเพื่ออาสวะมีการดังกล่าวไว้แล้วเนี่ยหมายความว่าท่านให้ละให้บรรเทาก็คือวิริยะสังวร น, นั่นเองวิริยะสังวรก็แปลว่าพิจารณาเห็นโทษเห็นโทษของวิตก ถ้าคนที่จะมีวิริยะสังวรได้เนี่ยคือคนจะมีความเพียรได้นี่ยนะที่ต้องไปมีการไปพิจารณาเห็นโทษนะพิจารณาเห็นโทษเห็นโทษของอะไรที่บอกว่าย่อมละย่อมบรรเทาทําให้สูญทิ้นไปนพิจารณาโดยแยกคลายแล้วอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทากามวิตกพิจารณาโดยแยกคายแล้วย่อมอดกลั้นย่อมละ ย่อมบรรเทาพยาบาทวิตกและก็วิหิงสาวิตกทําให้สูญสิ้นไปให้ถึงความไม่มีตรงเนี้ต้องใช้ความเพียรความเพียรที่จะละตรงนี้ได้ต้องเป็นสัมมาวายามะมักต้องเป็นวิริยะสัมโพชงเป็นต้นเอนี้เออสัมมาวายามะก็ดีมักก็ดีวิริยะสัมโพชงเป็นต้นก็ดีเนี่ยตรงเนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาแล้วเขพิจารณาโทษโทษของอะไรโทษของสังสารวัฏเป็นต้นอะไรเนี่ยประการต่อมาก็คือว่าประการที่เ็ด อาสวะที่พึงละได้โดยการอบรมอาสวะที่พึงละได้โดยการอบรมนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าไหนที่พึงละด้วยการอบรมดูก่อนภิกษรทั้งหลายพิกษรณในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกขายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อความสลัดออกแล้วก็เจริญธรรมวิญยาสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัจสถทนิสัมโพชฌงค์ จเจริญสมาธิสัโพชฌงจเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอนาสัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อความสลัดออกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะคือความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่อบรมธรรมอย่างอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้อบรมอยู่อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราจะถาคตกล่าวว่า พึงละได้โดยการอบรมตรงนี้ก่อนนะนั้นอาสวะที่พึงละได้โดยการอบรมในที่นี้เป็นชื่อของการเจริญโพชงเนการเจริญโพชงทีนี้การเจริญโพชงเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสยังไงในโพชังคาบับบอกว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชงเขาบอกว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนี่ยคือโพอชงเจ็เนี่ยให้พิจารณายังไงบอกพิจารณาบอกว่าสติสัมโพชง มีอยู่นะภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงมีอยู่พระนภายในจิตเมื่อสติสัมโพชงมีอยู่เรือไม่มีอยู่นภายในจิตก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่นภายในจิตอันหนึ่งสติสำโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วก็สติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจักเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยเป็นต้นนี้นะ ธรรมะวิจยตสัมพ่อชงวิริยะสัมพ่อชงปีติ ung, ส, สัมพ่อชงปัตสติสัมพ่อชงสมาธิสัมพ่อชงและอุเบกขาสัมพ่อชงก็ในย่อย่างนี้แหละก็รู้ชัดบอกว่าเออถ้าพ่อชงเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าโพ่อชงเหล่านี้มีธรรมะวิจยตสัมโพ่อชงจนถึงอุเบกขาสัมพ่อชงเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะก็รู้ชัดแล้วก็ถ้าไม่มีอยู่ในภายในจิตก็รู้ชัดด้วย และโพชงเหล่านั้นจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยและโพชงเหล่านั้นมีสติสามโพชงเป็นต้นจักเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยลักษณะอย่างเนี้ยก็ไปศึกษาบอกว่าโพชงนี่เนียมีสติคําว่าสามโพชงพ่อเป็นองค์แห่งสามโพธิธรรมสามโพธิธรรมสามคีนั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสามโพชงสามโพชงก็กล่าวคือสติเป็นต้นเหล่าเนี้ยสติสามโพชงมีอยู่นภายในจิตย่อมรู้ชัด สติสัมโพชงมีอยู่นะภายในจิตเมื่อสติสัมโพชงไม่มีอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่ภายในจิตสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยทีนี้สติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแ ล, กกล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการต่อมาคือว่ามีอยู่เนี่ยติมีอยู่เนี่ยคําว่ามีอยู่ในที่นั้นแปลว่ามีพร้อมอยู่โดยประการที่เราได้เจริญเช่นในขณะที่ระลึก หรือจเจริญสติปัฐานเป็นต้นอะไรนี้ตอนนั้นแสดงว่าสติมีอยู่คือมีพร้อมแล้วก็ได้สตินั้นมาแล้วองค์ธรรมของคำว่าสติสามโพชฌงก็แปลองค์แห่งความเป็นตัสรู้คือสติเนี่ยถ้าไม่มีก็ก็ต้องรู้ว่าเออตอนนี้เรายังไม่ได้สติมาด้วยมากในเวลาสติจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยบางคนลืมสังเกียรตใจของตนเองไปยังไงว่าไป ต, ตอนนี้มีสติหรือไม่มีสติยังไงบางทีเราดูลมหายใจเข้าออกบางทีดูไปอย่างนั้น ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้สติไม่ได้ถึงพร้อมด้วยสติสติสัมโพชงเป็นต้นไม่ได้เกิด น, นั้นต้องสังเกตตรงนั้นต้องมีอะไรโยนิโสโมนัสิการพิจารณาแยกขายว่าตอนนี้สติมีอยู่ในใจไหมทิศการจะรู้ว่าสติสัมโพชงเนี่ยมีอยู่ในใจหรือไม่เนี่ยพระเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชงมีอยู่มีอยู่คืออะไรหนึ่งการทําให้มากซึ่งโยนิโสโมนัสิการในสติสัมโพชงนั้นอันนี้เป็นอาหาร นี้เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดอันนี้เป็นทางไปบุญเป็นทางเจริญบริบูรณ์ยิ่งไปแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วนีสรุปมันก็คือว่าหนึ่งโยนิโสมนัสิการการมีโยนิโสมนัสิการพิจารณาโดยแยกขายเป็นการถ้าสติไม่มีเรียกเรียกสติเข้ามาต้องรู้ด้วยว่าตอนเนี้ยอย่างเมื่อเรานั่งอยู่ตอนเนี้ยสติมาไหมสติมาไหมทีนี้ทําไมเราเป็นคนหลงลืมมาก เออทำไมทำไมเราจึงเป็นคนหลงลืมมากปกติในชีวิตของเราทำไมกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสติทำไมว่าเออสติเนี่ยทำไมไม่ค่อยเกิดกับเราเลยมันเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าทำสี่ประการย่อมเป็นไปเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสติหนึ่งสติสัมปชัญญะสองเว้นบุคคลผู้หลงลืมสติสามการคบหาบุคคลผู้มีสติมั่นคงสี่การน้อมจิตไปในสติสัมโพชฌงแล้วก็คำว่าสติสัมปชัญญะนั้นก็คือสติในฐานะเจ็ด มีการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นเช่นใช่ไหมเวลาการก้าวไปและการถอยกลับฉนั้นคนที่จะมีสติสัมปชัญญะได้ดีก็คือคนเขาฝึกสติเช่นในชีวิตในการที่จะจะก้าวไปแล้วก็จะถอยกลับในการที่จะเหยียดในการที่จะคูเข้าและเหยียดออกเห็นไหมในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับนั่นิ่ ง, นนงเป็นถายอุจจาระปัสสาวะในการกินการดื่มการเคี่ยวการลิ้มเป็นต้นเหล่านี้โดยสรุปก็คือว่า หนึ่งการเดินไปการก้าวไปการก้าวไปการถอยกลับเหมือนการนั่งอยู่เนี่ยโยกไปข้างหน้าชื่อว่าก้าวนะโยกกลับมาข้างหลังชื่อว่าถอยกลับเอเราเคยมีเราจะนั่งหนะ้าที่ตรงไหนเนี่ยเราเวลาเราจะโยกหน้าโยกหลังโยกอะไรต่างๆเนี่ยเรามีสติในการระลึกก่อ น, นในการที่จะทําให้สติสัมปชัญญะเป็นไปในขณะนั้นโดยมากเราจะทำํำตามความเคยชินของเราเนี่ยบางทีปากเราก็พูดอีกอย่างใจก็ไปใส่ใจอีกอย่างใช่ไหม ขณะนั้นเราจะทํากิจอีกอย่างหนึ่งหลายๆพร้อมๆกันเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นเหตุแห่งการไม่ได้สติสัมปญัญ ญ, ญา น, นั้นคนที่เขาจะได้สติสัมปญัญ ญ, ญาปแปล ว, ว่าเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยสติจะต้องเป็นไปกับการการะทํา น, นั้นเป็นต้นและประการที่สองก็คือการเว้นถ้ารู้ว่าคนคนนี้ยเป็นคนขี้ลืมมากๆเป็นคนไม่ค่อยเป็นคนหลงลืมเป็นคนไม่เจริญสติปัฏฐานเป็นต้นไม่คไม่ไม่เจริญพุทธานุาสติเป็นต้นคือใจของคนคนนี้ไม่อยู่กับมาฐานเขาบอกห่างๆคนประเภทนี้ไว้ แต่ถ้าหากใครก็แล้วแต่นะที่เป็นคนที่มีสติมั่นคงเป็นคนที่เจริญสติประฐานเป็นต้นเหล่าเนี้ยเราเข้าคบหาบุคคลนั้นแล้วก็น้อมประการที่ 4, สี่นี่สาคัญก็คือว่าน้อมจิตความเป็นผู้น้อมจิตไปเพื่อตั้งสติไว้ในียาบททั้งหลายหเห็นไมเกี่ยการน้อมจิตไปในสติทั้งหลายก็หมายความบอกว่าน้อมจิตไปเพื่อตั้งสติไว้ในอียาบทมีการยืนการเดินการนั่งการนอน ก็รู้ชัดว่าสติสัมโพอชงเกิดขึ้นแล้วโดวยอาการสี่ประการนี้ก็เจริญบริบูรณ์ในส่วนจริงก็จะเป็นปัจจัยแก่การเจริญมั่นคงของสติเป็นต้นเหล่านี้ได้ดังนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ถามว่ายากไหมในการเจริญสติสัมโพอชงเป็นตนน้นที่จริงถ้าหากว่ามีมีวิธีการที่ท่านบอกว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือสติเมื่อสติเจริญไรบูรณ์ดีด้วยการเกิดขึ้นในอารมณ์ของตนสี่อย่างนี้ กายการเจริญกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตาและธรรมานุปัสสนาเป็นต้นเหล่านี้ก็คือการเจริญสติเป็นต้นทั้นก็ไปพิจารณาดูนะว่าเออสติสัมพชงจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยด้วยอาการอย่างไเออระการต่อมาก็คือว่าธรรมาวิจยะอันนี้เป็นชื่อของปัญญานะ ธรรมวิจยะสัมโพจนชงมีอยู่ในภายในจิตก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชน์งมีอยู่ภายในเมื่อธรรมวิจยะสัมโพจนชงไม่มีอยู่ภายในจิตก็รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพจนชงไม่มีอยู่ภายในจิตและธรรมวิจยะสัมโพจนชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยและธรรมวิจยะสัมโพจนชงที่เกิดขึ้นแล้วจักเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยตรงนี้ท่านก็ยกในคำพีสั่งยุตมาบอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมที่มีโทษไม่มีโทษธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพธรรมที่เลวธรรมที่ปลาณีษฐ์ธรรมที่เทียบด้วยธรรมดาและธรรมที่เทียบด้วยธรรมาการทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสิการในธรรมเหล่านั้นอันนี้เป็นอาหารเป็นการเกิดขึ้นของของวิธรรมวิเยญาสัมพุทชงที่ยังไม่เกิดและเป็นทางไปบุญเป็นทางเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปของธรรมวิเยญาสัมพุทชงที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนี่แล้วตรงนี้สําคัญก็คือว่าคิดให้บ่อยๆ เช่นอันนี้โลภะโทสะโมหะนะเนี่ยเอามาคิดบ่อยๆเอออันนี้อันนี้ความไม่โลภความไม่โกรธ น, นี่ปัญญานะเนี่ยแยกกันได้ไหมเอออย่างเช่นว่าโลภะทิฏฐิมานะนิอกุศลโมหะอหิริกะอนุตตปปาอุทะจะอันนี้อกุศลโทสะอิสามัฉริยะนี่อกุศลหรือทีนะมิทะนีิอกุศลเนี่ยนะ วิจิกิฉานี่อกุศลโอ้นี่บาปอากุศลแล้วทำอันลามกกายโยตุจริทธวจีทุจริทธมโนโทุจริทธไหมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเยื่อโลคพยาบาทแล้วก็เห็นผิดโอ้อันนี้เป็นอกุศลหรือว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเออนนี้อกุศล ไม่เนี่ยกุศลแล้วก็มาแยกว่าแล้วกุศลล่ะกุศลก็อ้อเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาเห็นไหมแล้วก็บอกเลยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาอจิวาสัมมาคือสติก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยธรรมวิญยาสามโพชงเนี่ยเขาจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ก็ดอกต้องได้อาหารก็เหมือนมนุษย์เรานี่ จะเจริญเติบโตจะมีจะต้องมีอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายที่ปัญญาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อาหารเขาเกิดไม่ได้เขาโตไม่ได้หรอกทีนี้ที่ผ่านมาในชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาทําไมมันระลึกอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมหลงหลงลื ม, ล, มลืมเลยสารพัดเนี่ยเพราะเราไม่ได้หยอดอาหารให้เขานี่เราไปตัดอาหารเขามันผอมหมดเลยเนี่ยร่างกายอ้วนแต่สติผอมปัญญาผอมยังไ พะเจบอกว่าโอเนื้อหนังท่านเนื้อหนังเธอจเจริญแนนะ่ว่าเงินแต่คุณทำรร ม, มีสติสามประชัญญาเป็นต้นไม่จเจริญเลยผอมจริงๆก็คือเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารของปัญญาอะไรเป็นอาหารของสติเนี่ยทำที่เป็นบาปทำที่เป็นบุญเนี่ยอันนี้เป็นอาหารของสติข้อแรกทำที่มีโทษและทำที่ไม่มีโทษอันนี้ก็เป็นอาหารข้อที่สองก็ต้องรู้ด้วยว่า กายโุจริทธวจีทุจริทธมโนทุจริทธอคุสุลธรรมทั้งหลายราคาโทษสามโมหะเป็นต้นเนี่ยเป็นธรรมที่มีโทษกายยสุจริทมโนสุจริทธกายยสุจริทธวจีสุจริทธมโนสุจริทธหรือกุศลธรรมทั้งหลายนีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการอนุโมทนาส่วนบุญการให้ส่วนบุญการฟังธรรมการทำความเห็นให้ตรงเป็นต้นเหล่านี้ยอันนี้เป็นธรรมที่ไม่มีโทษเนี่ยนะก็เริ่มมาแยกแยะอันนี้เป็นอาหารของอะไรเป็นอาหารของ ทำมาวิทยาสมบูชงทำที่ควรเสพและทำที่ไม่ควรเสพอันนี้ต้องไปแยกยาวเลยตรงนี้ทำที่ควรเสพและทำที่ไม่ควรเสพเช่นยกตัวอย่างเช่นรูปที่สวยๆเนี่ยจริงๆน่ะจะมันไม่ใช่เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งหรือรูปที่ไม่สวยเป็นต้นตรเนี้ยหรือเสียงที่พ่อกับเสียงที่ไม่พ่อเป็นต้นเนี่ยอันไหนควรเสพหรือไม่ควรเสพไม่ใช่เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งนะเอาสิ่งที่ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดราคะโทสะโมหะเป็นตัวตั้งเช่นบ้านเนี่ย แล้วอยู่บ้านนี้แล้วเนี่ยบาปออาคือเราทำมันเกิดมากอย่างนั้นไม่ควรเสกก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไม่ใช่เปลี่ยนบ้าน เ, ลเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบ้านแล้วไม่ไหวเลยเหมือนก เ, เราไม่ชอบคนนี้ก็เปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนคนนั้นไม่ใช่ถ้างั้นโหยุ่งเลยนะคนที่มีครอบครัวเนี่ยมีสามีเป็นสามีเป็นภรรยามีลูกแล้วนี่บอกโอ้ไม่ไหวตั้งแต่กราอยู่กับคนนี้ระบากเกิดเปลี่ยนคนใหม่ใช้ใบวัชบัตอเ่างนี้ แล้อกพุทธเจ้าสอนไว้ถามบอกว่าถ้าอยู่กับใครบาปเกิดเยอะให้รีบหนีแต่ทําไมมาใช้กับครอบครัวได้ไมับนโอ้โหวุ่นวายกันหมดเลยเดยนี้เพราะมันจะถูกใจอยู่แว บ, บเดียวใช่ไหมมนุษย์เรานี่ถูกใจใแป๊บเดียวมองไปมองมาเดี๋ยวก็เห็นข้อบกพร่องกันเยอะแย่หมดแต่ก่อนมันก็ดูดีพอมาดูใกล้ๆเข้าไอ้นั่นก็เสียอันี้ก็เสียเสียเยอะไปหมดมันเป็นปัญหากันทุกวันเลยใหม่ๆมันดีกันหมดคือคือยามรักยาม ยามเกิดความพอใจขึ้นมานีมันปิดหมดแล้วใช่ไหมสิ่งที่ไม่ดีก็ปิดแต่เพราะไอ้ตรงนั้นมันยังจา ง, จางหายไปมันโผล่ขึ้นมาหมดเลยตอเนี้ตอนนี้มองได้อย่างไงแต่ ก, ก่อนมันนั่งสงสัยตัวเองอยู่ตั้งนานเนะเอะดีได้ไงเคยเป็นหมมองเอ๊ะดีได้ไงทั้งที่มันก็โหมีจุดเสียเยอะแยะที่จริงเขาไม่ให้เปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนความรู้สึกเพราะว่า เพราะว่าในขณะที่ว่าควรเสพหรือไม่ควรเสพแปลว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมันบาปอกผลมันเกิดก็เปลียบดังนั้นทที่ควรเสพอย่างสุขเวทนาเนี่ยนะถ้าสุขเวทนาที่อิงกรมาคุณอันนั้นก็ควรไม่ควรเสพแต่ถ้าสุขเวทนาที่อิงเนกรรมมะอันนี้ควรเสพทั้งๆ ท, ท, ที่สุขเวทนาเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าสุขเวทนามันน้อมก็หากรรมมาคุณน้อมหมารูปเสียงกลิ่นรสอนี้ไม่ควรแต่ถ้าสุขเวทนาน้อมหาทานกุศลสีนกุศลเบาหนากุศลมีควรเสพ ที่จริงก็คือสุขเวทนานั่ยแหละมันควรเสพก็อนี้ไม่ควรเสพก็อนี้ทุกเวทนาเหมือนกันที่มันน้อมก็หากรรมกุณรเนี่ยนี่ไม่ควรเสพถ้าน้อมก็หาเนคขมมาก็ควรเสพอุเบกขาเวทนาก็อย่างเนี้ยถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาที่น้อมก็หากรรมกุณร์ก็น้อมก็หาเนคขมมากแล้วก็หาที่เป็นเนคขอันนี้เขาเก็เขไปไข้ควรเออทําที่ควรเสพแล้วไม่ควรเสพที่จริงการเปลี่ยนนิมิตเนี่ยมันเปลี่ยนยากใหม่ๆแต่ถ้าเปลี่ยนได้แล้วก็สบายใจมีคนคนึ่งเขบอกว่าเนี่ยทําไมคนนี้ก็จึงเป็นคนแบบนี้ มาตั้งประเด็นเนี่ยทำไมคนค น, นี้จึงเป็นแบบนี้ก็มานั่งคุยพระก็บอกว่าเอาแล้วทำไมยอมนึกเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้ายอมไปสงสัยคนอื่นบอกว่าเออทำไมคนคนนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องบอกเอ๊ะทำไมยอมเป็นอย่างนี้ถ้าไปตั้งแบบนี้เอ๊ะทําไมคนนั้นต้องทำชั่วคนนั้นทําไมต้องทําดี <c oughs> ถ้าไปตั้งประเด็นอย่างนี้นมันก็ไปเลยทีนี้ปัญหาจริงๆก็คือว่าอัจฉริยะใสที่เขาสั่งสมมาอย่างไรก็ก็เป็นอย่างนั้นเออถ้าเรารู้ฐานเขาฐานความเป็นจริง比如说เช่น คนบางคนเนี่ยเขาจิตน้อมไปทางบาปมากบางคนก็น้อมไปทางบุญบางคนเขทั้งบาปและบุญเกลือนกลัวกันอย่างเงี้ยนะบางคนก็บาปมากกว่าบุญบางคนก็บุญมากกว่าบางคนก็เหมือนบุญด้วยส่วนเดียวบาปด้วยส่วนเดียวเด่นส่วนมากนี่อัธยาสัยที่เขาสั่งสมมา ก, ก็ถึงเป็นแบบนั้นนี่ปัญหาเราที่มองหรือเราที่ไปคบค้าสมาคมที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเออ อันไหนเป็นอกุศลอันไหนเป็นกุศลอันไหนมีโทษอันไหนไม่มีโทษอันไหนควรเสพอันไหนไม่ควรเสพอันไหนเลวอันไหนประณีตอันไหนเป็นธรรมดาอันไหนเป็นธรรมขาวก็ต้องมาแยกแยะพอเราแยกแยะแล้วเราจัดได้เสปัญหาจริงๆก็คือว่ากระแสจิตของเราเวลาเรามองคนทําชั่วเนี่ยเออมันคิดยังไงเห็นคนทําบาปแล้วก็ทุกข์เห็นคนทําดีแล้วก็ชื่นชมยินดียึดติดนี่ไปใหญ่เลยตรเนี้ยเราเองกลายเป็นผู้ที่เจริญธรรมวิจยะสัมพื่อชงไม่ถูกอีก ถ้าจะเจริญธรรมะสมโพชงให้เกิดก็คือให้รู้ว่าคนคนนี้ทำบาปอากุศลมีโทษทำที่มีโทษไม่ควรเสพเป็นธรรมที่เลวเป็นธรรมที่ดำก็แยกไปวอา น, นี้เป็นอย่างนี้ทีนี้พอรู้อย่างนี้เบ็ดเสร็จก็คือว่าเออที่เขามีอัธยาศัยอย่างนี้มาเพราะเขาสั่งสมบาปอากุศล ม, มากเขาจึงเป็นแบบนีน้นี่เขเริ่มเข้าให น, นึ่งโกรธเขาดีไหมเอาไม่ดีถ้าโกรธก็แสดงว่าเราจเจริญอกุศล แสดงเราทามีธรรมที่มีโทษแล้วเรากําลังอยู่ในธรรมที่ไม่ควรเสพและธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นธรรมที่เลวและเป็นธรรมดาด้วยให้คนบินทุก็จบเลยไหมเราก็เริ่มจะคิดเป็นโอ้เขาคิดกันอย่างนี้นี่เองที่เขาจเจริญธรรมวิจยตสามพูชงเบื้องต้นนี่ถามว่าถ้าไม่จเจริญแบบนี้ในชีวิตจริงเราจะอยู่ในสังคมยังไงที่เราจะได้บุญมันจะไม่ได้บุญเลยนะเพราะมันจะติดขัดไปหมดล้วมองอะไรในติดขัดไปหมดเลย แล้วจะมีเรื่องในการที่เวลาเจอหน้ากันพวบเนี่ยเราจะมีเรื่องนินทาคนอื่นได้เยอะเลยเราจะตําหนิว่าแมมคนนั้นไม่ได้ไงเพราอ่านข่าวซื้อพินโตขึ้นมาโอ้โหคนนี้ชั่วจริงๆเออไปเลยนะมคือเขาบาปพ็พอแรงอยู่แล้วเราก็ไปร่วมบาปกับเขาอีกวันก่อนก็ยังบอกเยอะเคขาบอกว่าเขามีงานกระจัดกันเยอก็มันนั่งเล่าบัางเท้ากระจัดอะไรเขาก็าบนี้ภาษาพวกเขาทำยังไงเออเขาจะมีการโยนให้ฐานแบบว่าโยนแล้วให้ไปแย่งกัน จะสถาประเพณนี้ควรทิ้งคนละถามทําไมเป็นการทําบาปที่ขาดปัญญาเออทาบุญที่ขาดปัญญาสถาบภาขาดปัญญาคือให้ดีๆก็จะให้ทานเนยก็ไม่ได้ให้กันแบบนี้นใช่ไหมให้คนเหยียบกันตายไงี้มันไม่ถูกเหมือนกับไปอินเดียเนี่ยพอจะขึ้นรถปุ๊บก็วี่ยงของลงจากรถวิธีแทบจะอย่างนี้ไม่ดีครับมันก็ขาดระเบียบมันมนในคนแรกอะไอคนแรกที่ให้ไปให้แบบนี้คนก็ไปเห็นดีวิธีให้แบบนี้ มันจะต่างอะไรใช่ไหมสมัยก่อนเวลาเขาจะบวชพระเนี่ยในยุคเริ่มต้นเลยในยที่ว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนารวยมากก็ทิ้งสมบัติไว้หมดแล้วตนเองก็ไปท่าเรือไม่เอาเงินทองไปเลยเนี่ยแต่กลัวเรือจะออกหนึ่งเดือนก็ด้วยการที่ตนเองเป็นคนฉลาดก็ทำการค้าระหว่างท่านั้นถึงท่านี้ได้เงินไปเป็นพันกหาปะนะนั่งเรือไ ป, ไปไปถึงที่โน้นก็จะบวชพระเขาบอกว่า เออถ้าจะบวชเนี่ยห้ามถือเงินและทองแกก็บอกเอย อ, อยากกันนั่นเลยคนมางานบวชของเราก็ให้เ๋จวได้กลับไปมือเปล่าเลยแล้วก็แจกเบื้องตอนน้นจริงๆเขาแจกกันดีๆนี่แหละเดี๋ยวนี้พระเจศาใจไปรับอีกทา่นานมาดัดแปลงด้วยต้องมีการหวานด้วยนะหวานโอโ้หแย่งกันแล้วยังมีการร้องลัมทำเพลงด้วยก็ว่ากันไป็ใช่ไหมเนี่ยการให้แบบนี้ขาดอะไรขาดปัญญาเอาถ้ากุศถ้ากรรมเหล่านี้ให้ผลนะ่ะ ก็มาเกิดเป็นคนไม่มีปัญญานั้นเห็นไหมว่ากรรมเหล่าเนี้ยถึงอาจจะเป็นกรรมขาวจะเป็นกรรมขาวที่ปนบาป mm hmm. ก็เรียกอกุศลและกุศลมันปนกันอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ว่าถ้าอากุศลมากกุศลน้อยเนี่ยเวลาให้ผลให้ยังไงก็เลยยกตัวอย่างบอกว่าคนบางคนเนี่ยเวลาทําบุญปนบาปเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดแต่เป็นมนุษย์ปัญญาอ่อนใช็นไหมเออมั น, นมีเหมือนกันเลยมนุษย์ที่เกิดมาแล้วปัญญาอ่อนนับหนึ่งไม่ถึงสิบเนี่ยมีนะสอนอยังไงก็ไม่รู้เรื่องเงี้ย แต่นี้ก็แล้วแต่นะปริมาณของปัญญาก็แล้วแต่ที่ทำนั่นมีความเข้าใจแค่ไหนอีกทีนี้เออถ้าเราไม่ได้ทําแต่เราไปดูเขาแล้วดีใหญจเห็นเขาแย่งกันเนี่ยโยมบางคนไปชอบดูเขาจะดีใจหัวเราะชอบใจเนี่ยถามมาส่งผลไหมเก็ว่าส่งส่งยังไงได้บริวารปัญญาอ่อน <c oughs> เกี่ยวข้องกับคนอย่างนี้เพเราเคยดีใจในสิ่งที่คนเขาทําผิดอย่างเงี้ยนีย เห็นไหมว่าถ้าถ้าเราแยกแยะกรรมดําดกรรมขาวบาปกุศลทำมีโทษไม่มีโทษไม่ออกธรรมะวิจิสัมโพจน์ชงไม่เกิดในปัจจุบันนี้ยังไม่พ อ, อยังได้ดได้บาปอกุศลตามก็อันนี้ก็ต้องไปไปพิจารณาฉะนั้นการทําให้มากทําที่เลวและทําที่ประณีดเออคําว่าเลวและประณีดเนี่ยบางทีบางทีไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องบาปกับบุญอย่างเดียวนี่ แต่เน้นผลบาปกับผลบุญเออเน้นผลบาปกับผลบุญยังยกตัวอย่างเช่นการเกิดเป็นเปรตอสุรก า, ายสัเดลฉานที่รูปร่างของเขาเนี่ยเออถือว่าเร็ถวถือว่าเร็วนะถ้าเทียบกับมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยกับเทวดาเนี่ยเออเราเร็วกว่าเขาคำว่าเร็วในที่นี้ไม่ใช่เป็นความชั่วอะไรเงี้ยเป็นถือไอหยาบนั่นเองที่ท่านเรียกว่าเร็วอะเช่ น, นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยมนุษย์เร็วกว่าเทวดา เทวดาแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็มีความลดหลั่นกันออกขึ้นไปอย่างนี้เป็นนี้ประณีตกัะเลวเนี่ยบางทีคำว่าเลวคำนี้บางทีเราเป็นเรื่องว่าโอ้หใช้ไม่ได้แต่บางทีใช้ได้ยกตัวอย่างอย่างเราใช่ไหมถ้าเราเที่ยวกับเทวดาเราเร็วกว่าเทวดาเร็วในนี้หมายถึงขันห้าของเรานั้นสภาพขันมันหยาบ ก, กว่านี่ก็ไปแยกแยะส่วนทำดํำทำขาวนี่เป็นพูดถึงเรื่องกุศลกรรมกับอกุศลกรรมกายยะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่เป็นทำดำเนี่นะ ทำขาวก็คือกุศลนะกายสุจริตรวจีสุจริมโนสุจริทีนี้บางคนเนี่ยพอแยกแยะตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ทํำกันแบบคนตาบอดเช่นทําบุญบนบาปเนี่ยอันนี้เขาเรียกวกรรมดํ า, าดคําขาวมันเกลือกกลั้วกันอย่างยกตัวอย่างเนี่ยว่าเราบอกอุ้ยไม่ได้หรอกมันจะให้บริสุทธิ์อย่างเดียวเลยมันไม่ได้ใช่ไหมเราอยู่ในโลกใบนี้เอาอย่างจะทําบุญมีเป็นรก็เลี้ยงเล่ากันโดยสมมุติเนี่ยนะไม่สมมุติแล้วที่บ้านเนี่ย แต่ก่อนเป็นแบบนี้เลยทำบุญดีอะไรก็เลี้ยงแต่เรามีอยู่คักงนึงอาจารย์ญญกลับไปก็ประกาศไวปเล ย, เลยบอกห้ามนียแล้วประกาศออกดังๆเลยนี่มันมีไมคมีอะไรต่างๆเขาเขาบอกเนี่ยเราเนี่ยพระก็บวชมาตั้งจะสามสิบปีแล้วเอาพระไว้อ้างก็ใช่ไหมบอกเออพวกเรานี่ก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลุงเป็นป้าเนี่ยมีญาติเป็นพระ แต่เวลาทำบุญแต่ละทีแล้วมาเลี้ยงเล่าเนี่ยมันอายเขาแทนที่จะหนึ่งแทนที่มันจะได้บุญแทนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีมันก็ไม่ได้ก็บอกเข้าไปตอนนั้นมีมียอมลุงอยู่คนแ เ, เมาก็เรียกดีแกมาแล้วก็ว่าดูแต่อย่างลุงเนี่ยปวดต่อหน้าคนเป็นร้อยเลยเนี่ยเนี่ยยอมลุงเนี่ยหนึ่งอายุจะดเจ็ดสิบอยู่แล้วนี่เมาแล้วไปล้ําแอ่นกับเด็กเล็กๆเดี่ยดูมันหน้าดูที่ไหนเนี่ย แกนั่งแกก็ เ, เมาอยู่ด้วยเนี่ยแกพูดกับคนที่รู้จักแกบอกพระหลานชายไม่ไว้หน้าเลยก็ตั้งแต่นั้นแกเลิกเลยนะเแอแปลกเลย เ, ย ล, ยเลิกเหมดเลยเลิทีแรกก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าจะทำบุญเนี่ยจะกินข้าวโมยาไม่ต้องมณิมนต์ข้ามาเนี่ยมาแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแย่นี้แกเถ้าทําบุญก็รู้เลยที่บ้า น, นแกบอกอ๋อแต่ก่อนยอมพรเอาทําให้เลี้ยงพวกนี้คนก็จะมาขู่ัวทําไหม อัน <laughs> นี้เต็มบ้านหมดเลยทำบุญที่ไรนะคนเยอะหมดน้ำหวานเขาเข้าไปกินกันให้กินฟรีใช่ไหมกินฟรีเลี้ยงฟรีเลื่องด่างเลี้ยงไปเถอะมีเท่าไรก็พอใช่ไหมอาหารใครมาทําแจกให้เขาพอกับบ้านนี่เขาดีใจอ่เยอะหมดไม่ไม่มจําเป็นเลยเรื่องเรื่องเรื่องว่าทําบุญจะต้องไปมีสิ่งเหล่านี้นแล้วมันเป็นแบบอย่างเลยนะ น, น, นะเข้านะเข้าเนี่ยใหลายบ้านก็เริ่มตามตามตามคือถ้าจะทําบุญก็ทําบุญก็บอกคน อย่ามาทำบุญบนกับบาปไม่ดีก็อบอกเขาแต่กว่าจะบอกเขาได้ก็เหนื่อยกันเยอะทำเจ็ดประการนะียเป็นเหตุแห่งธรรมวิจิตรสัมโพชฌงค์หนึ่งการสอบถามมีสำคัญไหมเวลาไปสอบถามสอบถามเรื่องอะไรสอบถามธรรมที่เป็นกุศลนะกุศลธรรมที่มีโทษไม่มีโทษธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพธรรมที่เลวและประณีธรรมที่ดำและธรรมที่ขาวไปสอบถามแบบเนี้ยจะเป็นปัจจัยให้ได้ ทำมาวิทยาสัมพอชงเข้าไปก็ตั้งเป็นประเด็นเนี่ย <aud ront> ท่านทําที่เป็นกุศลเป็นยังไงทําที่เป็นอกุศลเป็นยังไงทําที่มีโทษเป็นยังไงทําที่ไม่มีโทษทําที่ควรเสพทําที่ไม่ควรเสพทําประณีธรรมที่เลวทําที่ดําทําที่ขาวก็ไปถามนี้น UH, <świat> ี่ยเจอหน้าพระเราไปถามอย่างนี้บ้างนีนี้เป็นยังไงพระอยู่กันกี่องค์นี่อย่าไปถามท่านถามเยอะๆถามสนะเนี่ย โดยธรรมที่เป็นกุศลเป็นยังไงทําที่เป็นอกุศลยังไงก็ถามท่านเ ง, งี้ยกุศล น, น, นานางงี้เอาไปสอบถามใช่ไหมการสอบถามดังนั้นการสอบถามนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมา ก, มากๆก็ไปถามเจอหน้าพระเจอหน้าท่านผู้รู้เมื่อจะเจอหน้าพวกพวกของพๆใช่ไหมก็ถามกันอย่างเงี้ก็ตั้งบระเด็นกันมาจะไปถามอย่างอื่นไหมประการที่สองก็คือการทําวัตถุให้สลัดสลวยก็คือผมเล็บฟันขนยาวเกินไปร่างกายสโครเปื้องเปลือยเงื้อไค่ นี่เป็นวัตถุภายในคือร่างกายไม่สะาดสลวยไม่สะอาดแต่เวลาทีวอนน่ะทีวอนข้ามข้าวสกรปรกเหม็นสาบเสื้อผ้าสกรปรกเต็นนสนะรุงรังที่อยู่อาศัยในวัตถุไม่สละสวยไม่สะอาดเพราะฉะนั้นจึงควรทําวัตถุภายในให้สะาดสลวยด้วยกิจก็คือการปงพมพงหนดูแลต่างนั้นกิจส่วนตัวนี่นะทําร่างกายเบาสบายด้วยกิจมิเขาบอกว่าเวลาจะประพฤติป ฏ, ฏิบัติจริงๆเนี่ย แม้แต่ร่างกายภายในก็ต้องดูแลนะเช่นเจ็บป่วยก็ดูแลดีอาบน้ำขัดสีและบรรเทากลิ่นต่างๆกาทำวัตถุภายนอกให้สะาดสรวยก็คือการเย็บการย้อมการซักจีวรการระบมบาดนี่เป็นต้นเหล่านี้ก็ทำให้เรียบร้อยซสีเพราะจะได้ไม่เป็นกังวลไงเวลาที่จะเจริญกุศลจริะไรต่างถ้าบ้านล็กลุงลังไปจะไปสวดมนต์สวดไม่อยออกใช่ มันก็ทําให้สลาสลวยเมื่อวัตถุภายในภายนอกไม่สลาสลวยจิตเกิดคือจิตที่เกิดขึ้นก็ขุนมัวปัญญาก็ไม่เกิดก็เหมือนอะไรท่านบอกว่าเหมือนแสงสว่างอ่ะแสงสว่างของดวงวัตถีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตัวตะเกียงไส้และน้ํามันที่ไม่สะอาดหมดจดแสงมันก็ไม่มันมันก็มัวมัมวหนึ่งน้ำมันก็ไม่ดีไส้ก็ไม่ดีตะเกียงก็ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยมันไม่สว่างแต่ถ้าหากว่า น้ำมันก็ดีไส้ก็ดีตะเกียงก็ดีแสงสว่างของปฏิบัตนั้นก็โอมันก็หมดจดงั้นการทําวัตถุให้สะอาดสวยเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นของธรรมวิจิตรสำเพอจด้องทําให้ลกลุงหลังหนึ่งไม่ค่อยเกิดบ้านเนี่ยลองทําให้สะอาดดูทีขัดให้เป็นมันได้ยิ่งดีนะท่านว่าทําได้อย่างจีิปัญญาก็เกิดบ่งบอกเลยแหละถ้าหากว่าสถานที่อยู่แค่ห้องนอนเนี่ยถ้าห้องนอนไม่สะอาดเนี่ย ถาม่จะเจริญกรรมฐานอะไรได้จะเจริญกรรมฐานอะไรได้พระพระที่เขาเป็นนักปฏิบัติเนี่ยดูไม่ยากนะไปอยู่ห้องห้องที่ท่านพักถ้าเต็มไปหมดเลยเนะี่ยลกลง่ลังเลยของไปญา่ญาดย่าทีโอโไปสุกนอนอยู่นิดเดียวเนี่ยแล้วบอกเป็นพระกรรมฐานเนี่ยเดินหนีได้เลยไม่ใช่แล้วผิดผิดผิดธรรมชาติแล้วแต่ถ้ามันโล่งหมดเลยต่างวันเนี้ย ดีอยู่สามสี่ปีอยู่ในห้องนี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่นี่ถือว่าใช้ได้คารวะก็เหมือนกันนะบางคนเก็บของซุกซุกซุกซุกว่เตะหมดปัญญาไม่ก็นี้ปัญญาเขาแบบไม่ไม่ไม่คม่อยไม่ผองสายเป็นแบบนั้นไหมเ น, นี่ยต้องยึดกลับว่าคือคือจะทิ้งก็ไม่ทิ้งใช่ไหมของบางอย่างใช่ไเก็บจนเก่าแล้วก็สมควรแก่การทิ้งก็คือมันพังแล้วไปดูอีกที พอเปิดเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือของไม่สลารสลวยปัญญาจะไม่ค่อยเกิดมีพระเถล่าบางองนี่เนี่ยต้องต้องไปเอาผ้าเน้นไปช่วยรื้ออยู่เลยแต่ท่านก็ไม่ได้ไปอะไรหรอกแต่ว่ากเก็บจต่เพียงว่าท่านเก็บไม่ไหวอะไรต่างโอ้ไปดูแต่ทียอมก็เอาของอะไรรื้ไปถวายท่านของหมดอายุแล้วทั้งนั้นเลยบางทีนะท่านเก็บไว้นานจัดนะบางทีเก็บทิ้ทั้หมดเลยเยอะเสียหายเลเนี่ยพระเราตรงนี้ตอนนี้จะจะค่อนข้างมีปัญหาตรงนี้เยอะ เกี่ยวในเรื่องของของใช้ทั้งหลายไม่รีบระบายออกวิตีวานทั้งหลายเนี่ยว่าองค์เก็บไว้สี่หปียกขึ้นมาลุ่ยหลุดหมด น, นั้นต้องรีบเราทําบุญคือเราได้ของอะไรมาปุ๊บเนี่ยเราใช้ใช้ก็ใช้ไปใช้ไม่ทันรีบเราทําบุญหรือได้มาก็รีบทําบุญเอาให้เป็นบุญให้ให้ให้ทันจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าคาราะก็ต้องดูด้วยนไม่ใช่เพาเก็บมีดเก็บเตาเก็บกระทะเก็บอลไรต่า ง, างทําบุญหมดเลยไม่เหลืออะไรใช้เลยก็จะเก็บ ไม่ต้องมีไว้ใช้แต่ไม่แยกมีไว้ใช้เกินก็เหตุที่ไปแล้วไ ป, ไปมาเป็นโกดังมียอมอยู่คนหนึ่งที่เก็บของเขานี่เป็นโกดังใหญ่ๆเลยเนะี่อก็ไปก็ตําหนีแก่เรื่อยมาระยะหลางเขาไปแกบอกเนี่ที่ท่านตําหนีนะเนี่ะเกลี้ยงกันหมดแล้วถามทําไงแกบ่าขายเศษเหล็กเก่าๆทั้งนั้นแกขายทิ้งหมดแกไม่เก็บไว้หรอกเก็บไว้สนิมอย่างเงี้ยปัญญาไม่ค่อยเกิดประการต่อมาคือการปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอ มีศรัทธาเป็นต้นถามว่าถ้าสัตินรีย์ของเธอมีกําลังกล้าอินทรีย์นอกนั้นอ่อนต่อแต่นั้นน่ะวิรินทรีย์ก็ไม่อาจจะทํากิจประคองไว้ได้สตินรีย์ก็ไม่อาจจะทํากิจคือปรากฏชัดได้สมาธินรียก็ไม่อาจจะทํากิจคือความไม่ฟุ้งซ่านได้ปัญญรีย์ไม่อาจจะทํากิจคือทัศนะคือการเห็นตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้น เมื่อมานัิการถึงอินทรีย์คือศรัทธาด้วยการพิจารณาสภาวธรรมโดยประการใดอินทรีย์คือศรัทธาที่มีกำลังกล้าพึงลดลงด้วยการไม่มานัิการด้วยประการนั้นท่านจะยกตัวอย่างว่าภรวักะลีเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้เคยพูดนะว่าศรัทธาละคนยุคนี้ไม่กล้าโดยมากไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะศรัทธาไม่ค่อยกล้าไม่เหมือนไม่เหมือนคนในยุคก่อนศรัทธาท่านกล้าจริงๆและกล้าแล้วพร้อมมากับปัญญาด้วยนะ บางท่านก็ปัญญากล้ากว่าปัญญากว่าศรัท ธ, ธาตัวนี้ก็เสียอีกเอ่อยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ของพราหมณ์ภาวีมีพระอาทิตตะเกตกำพน์เนี่ยเออขออภัยไม่ใช่าอาทิตะอาทิตตะมานพอาทิตะแล้วก็เมตโคโกโตทยโมคราชเป็นตัวเหล่านี้จินพปิงคียะเป็นตัวไ่นมานพสิบสิบหกคนเนี่ยที่เป็นสิทธ์ของพราหมณ์ภววีคือพราหมณ์ภาวีเนี่ยอายุอายุร้อยยี่สิบปีมีลูกศิษย์เยอะ นิพพานภววิเนี่ยอจะมีมหาภวิสาระขณะดสามอย่างสามอย่างนี้เท่าที่จําได้หนึ่งเพราะชิ ว, ชวหาเกลิ้นเนี่ยลิ้นสามารถแลบออกมาปิดหน้าผากได้เหมือนพระเจ้าแล้วก็อะไรอีกสองอย่างไม่แน่ใจคือเสียงเพาะเนี่ยคนที่ลิ้นยาวคนที่ลิ้นยาวเสียงเพาะลิ้นยาวหนาด้วยแล้วก็อ่อนสามารถคืออย่างเราเนี่ยแลบออกมาไม่ถึงจมูกใช่ไหมไม่ถึงอ เนี่ยไม่เสียงไม่เพาะนี่เวลาคนคนลิ้นยาวนี่เสียงเพาะคือมหาบุริสารักษณะเป็นลักษณะของมหาบุรุษนี่เหมือนกันพราหมณ์ภโพรีเนี่ยมีลูกศิษย์ต่อมาก็ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพราหมณ์ีก็ผูกปัญหาสิบหกข้อผูกปัญหาไปถามพุทธเจ้าให้ลูกศิษย์ไปอชิตะมานพเป็นต้นเหล่าเนี้ยพร้อมด้วยบริวารอีกเยอะไปเดินลอนแลมไปต่างๆเนี่ยเดินทางไปสองเดือนสาเดือนเนี่ย พระเจ้าทราบข่าวพระเจ้าก็เดินหนีเลยนี่ต่อมาเนี่ยพอไปทันพระพุทธเจ้าใช่ไหมไปถึงเนี่ยไม่กราบไม่แสดงความนอบน้อมไม่แสดงความเคารพเพราะถือเป็นคนเรียนจบมาสติปัญญาก็สูงถ้าสรุปก็คือว่าพราหมณ์โพลีหรืตอตนเองเป็นต้นเนี่ยพรามพ์โพลีนี่มีความรู้มากยกตัวอย่างเช่นพพฤกษศาสตร์เนี่ยความรู้เรื่องต้นไม้แล้วคณิตศาสตร์รู้เร็วมากต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยดูพบรู้หมดว่าต้นอะไรก็จบหมดเลยด้านต้นไม้นี่นะ แล้วไม่ใช่แค่นั้นคณิตศาสตร์แกดูปุ๊บเนี่ยแกคำนวณใบแกนับถูกเลยอย่างเรารู้เรื่องมยังดูตน้นไม้ปัญญาสู้แกไม่ได้จริงเนี่ยยังดูต้นไม้ต้นนี้ปุ๊บเนี่ยเออต้นไม้ประเภทนี้ออกใบอย่างมากประมาณเท่าไหร่แล้วจะร่วงประมาณเท่าไหร่เวลาไหนแล้วจะเหลือประมาณบนต้นเท่าไหร่ในช่วงฤดูนั้นฤดูนี้เป็นตนน้นคำนวณเบ็ดเสร็จต่อไปคณิตศาสตร์ก็เก่งพฤกษศาสตร์ก็เก่งแล้วหน้าร้อนห น, นหน้าฝนหน้าแรืงต่างๆนี่เขาก็คำนวณเรื่องฤดูฤดูเก่ง ๆ, ๆมาแล้วจบวิชา ใคเพศด้วยใช่ไหมเก่งขนาดนะั้นเก่งจนชนิดที่ว่าเีว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากรู้เลยส่งลูกศิษย์ไปเลยว่าใช่จริงหรือเปล่าถ้าพทะเจ้าต้องต้องต้องดีกว่าเราใช่ไหมต้องเก่งกว่าเราเป็นต้นแล้วเนี้ยไปถึงก็ค้ากันถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเนี่ยถ้าเราถามในใจต้องตอบเราด้วยวาจาคือคือถ้านึกในใจถามเนี่ยจะต้องสามารถตอบเราได้ใช่ไหมถึงจะเชื่อว่าเป็นพระเจ้าจริงพอไปถึงปุ๊บเนี่ย ก็ถามในใจเลยอชิตะมานพถามยืนอยู่เลยนะยังไม่นั่งยังไม่กราบเลยถามเลยถามแกถามในใจบอกว่าเอออาจารย์น้องแกเนี่ยอายุเท่าไหร่เรียนจบอะไรใช่ไหมแล้วมีมหาปุริสระขนาดเนี่ยกี่อย่างคือลักษณะของมหาบุรุษพระเจ้าดู ก, ก่อนอชิตะพูดออกมาอะไรเงี้ยเนี่ยนะแค่นี้ก็คนโลกเล ย, ยไม่ตอบนึกในใจอะอย่างเรานั่งมองหน้ากันแล้วนึกอะไรกันมีใครรู้ไหม ไม่รู้เลยเนี่ยดังการที่ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นนึกในใจพวกไม่ถามพระเจ้าพระเจ้าดูก่อนอะทิตตะบอกพามาวุลีเนี่ยอายุ120ปีตอบมาอายุ120ปีนะแล้วพามาวุลีเนี่ยมีมหาบุริสารักษ์ขนาด3ประกางเขาก็พูดไปบอกว่าเอนนเอ่มีไปชิวหาอะไรต่งางเออมีลิ้นเป็นยังไงยังไงก็บอกแต่พามาวุลีนี่ผูกปัญหาพวกเธอมาอยัางไงแล้วเพื่อให้ถามยังไงเพราะตอบอย่างนี้ออกมาปเป็นเซนเนคานไปกราบแล้ว สัตว์เนี่ยที่แรกปัญญินรียเนี่ยแก่กาพอเจอตอบปัญหาเัินปั๊บลดพุ้ดเนี่ยศรัทธาขึ้นสมมนัดขนลุกขนพองเกิดตีติบอกโอ้พระพุทธเจ้าจอุบตัตวเกิดขึ้นแล้วก็มีการถามปัญหนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นต้นแล้วต่อมาลูกศิษย์ก็ไปเทศบอกอาจารย์อาจารย์ก็ได้บรรลุอีกนี่เนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็ว่าฉะนั้นสัตว์ทินรียกับปัญญินรียเนี่ยต้องมีความสมดุลเงินเนี่ยต้องมีความสมสมดุลแต่ยักยุคเรานี่นะ ขาดทุกตัวศรัทธาเวทีธาตสติสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าอ่อนอ่อนทั้งหมดเลยมีหน้าที่อย่างเดียวเพิ่มเพิ่มให้มากๆเพิ่มมากๆอินทรีย์คือตรงนี้เวลาท่านก็ยกตัวอย่างพระวักะลีที่มีศรัทธามากแล้วก็ไม่ได้บรรลุคือพระวักะลีนี่ศรัทธาพุทธเจ้ามากจริงนะมองอะมองพระพุทธเจ้าได้เห็นคือคือท่านก็คิด ศรัทธาความงดงามแต่ไม่ได้ค่อยสร้างปัญญาเท่าไหร่อย่างเราเนี่ยไม่ได้เห็นพระวรากายไม่ไม่เห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าแต่เราได้เห็นอะไรดึเราได้เห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ที่บอกเห็นคําสอนของพุทธเจ้ า, แ ล, จาแล้วก็คิดก็คือลักษณะของหมาบุรุษที่พระพุทธเจ้ามีพอไปพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็ปัญญาก็เกิดตรงนี้ได้ถ้าเวรยินทรีย์มีกําลังกล้าเมื่อเป็นเช่นนั้นศรัทธาเขาไม่อาจจะทํากิจ คือน้อมใจเชื่อได้สติก็ไม่อาจจะทํากิจคือการปรากฏให้ชัดได้สมาธิก็ไม่อาจจะทํากิจกล่าวคือกําจัดความไม่พุ่งสร้างเป็นต้นได้ปัญญาก็ไม่อาจจะทํากิจคือการเห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นได้เห็นไหมคืออินทรีย์แต่ละตัวถ้ามันแก่กล้ามันพลอยให้อินทรีย์ที่เหลือนี่ยเสียหายถ้าสตินทรีย์กล้าไม่เป็นไรสมาธินทรีย์กล้าเกินไปปัญญินทรีย์กล้าเกินไปอันนี้มัน ทำให้อินทรีย์อื่นเขารวนหมดฉนั้นเมื่ออินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งกล้าก็พึงทราบว่าอินทรีย์นอกนั้นไม่อาจจะทํากิจคือทําหน้าที่ของตนเองได้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนี้อินทรีย์นี้ท่านสรรเสริญศรัทธากับปัญญาที่เสมอกันแล้วก็สรรเสริญสมาธิกับวิริยะที่เสมอกันเพราะผู้มีศรัทธากล้าแต่มีปัญญาอ่อนก็จะมีความเลื่อมสายแรง เลื่อมสอย่างงมงายคือเลื่อมสในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุที่ควรเลื่อมสายไออย่างนั้นเนะ่ะเสียหายยกตัวอย่างเช่นการเลื่อมสายขัดปัญญาเนี่ยไปเลื่อมสวัตถุที่มันงมงายใช่ไหมเช่นป่าไม้ภูเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้ก็เรียกศรัทธามันมากแต่ปัญญามันน้อยนึงเอออย่างนั้นเป็นนะถ้าออกข้างนอกไปก็จะเสียหายเหมือนกัน ซึ่งเราก็ยังเห็นอยู่ว่าคนบางคนบรศรัทธาในวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งวันก่อนก็ยอมที่ที่มาจากทางทเขามาันมา น, นิมนต์ไปเขาก็บอกว่าในโลกกําลังเดือดร้อนหลวงปู่หมายถึงหลวงปู่ที่เขาเคารพนับถือที่เข้ามาปฏิบัติเป็นกรรมฐานก็อยู่ทุกวันเนี้สมาอะไรหางเป็นต้นหลวงปู่บอกไม่รู้บอกได้อย่างไ ร, รด้วยท่านตายไปแล้วนี่ก็บอกบอกว่า ให้ทำบุญให้ทาบุญกันทั่วประเทศเพื่อจะได้ทำให้ไม่เกิดอุทกภัยวาระภัยอัคีภัยทั้งหลายเหล่านี้ที่จริงการทำบุญต่างๆเหล่านี้าถามว่ามันก็เลยเสียคำสอนไปว่าจริงๆคำสอนของพระเจ้าตรงไหนที่บอกว่ายามภัยวิบัติเกิดขึ้นให้เจริญกุศลเยอะๆแล้วก็ยกตัวอย่างได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นในเมืองเวสาลีที่เกิดอุทกภัยเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดโรค โรคภยัยโรคภัยแค่เจ็บต่างๆเกิดขึ้นก็ให้พระพระพุทธเจ้าก็ให้ท่านบ้านให้ผ้านนเถระนี่ไปสาธยายพระปริตเนี่ยรัตนปริตเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็ป้องกันพยันอันตรายต่างๆในเมืองเวสาลีหรือภัยสาลีได้แล้วก็เดิม น, นาจของพุทธานุภาพแล้วก็สังขานุภาพเป็นต้นเหล่านั้นด้วยนีย่ก็กระจัดอมนุษย์ทั้งหลายและในท่สุดจริงๆก็เกิดฝนตกชําระล้างสิ่งที่ไม่ดีต่างๆให้ ให้ไหลไปกระแม่นน้ำในต่างๆโรคภัยแค่เจ็ดยุคนั้นก็หาอย่างนี้ก็ยกได้นี่เหตุผลมีอยู่แต่ไปบอกหลวงปูนะ่นัะหลวงปู่นี่มาบอกตรงเนี้ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยเวลาศรัท ธ, ธ า, ม, ามันมากมันมากแต่ปัญญามันน้อยก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าหากศรัท ธ, ธามากดีไม่ดีแต่ปัญญาก็ต้องมากด้วยแล้วก็จะต้องเอาเหตุผลของคําสอนมาเปรียบเทียบตรงนี้ไม่เป็นไรฉะนั้นศรัท ธ, ธากับปัญญาเสมอกันได้ดีไม่ดีสมาธิกับวิญญาเสมอกันได้ก็ดีมีเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าศรัท ธ, ธากล้าปัญญาอ่อนก็จะเลื่อมสในวัตถุที่ไม่ควรเลื่อมสแต่ถ้าปัญญากล้าศรัท ธ, ธาอ่อนแหละก็ฝากฝ่ายไปในทางเกในทางเกเลเนี่ยเหมือนโรคเกิดเพราะอะไรเพราะผิดยาคือโรคเกิดเพราะกินยาเกินไปหรือกินยาเนี่ยหนึ่งพอกินยาเนี่ยกินยาผิดพอกินยาผิดเนี่ยมันเกิดโรคทีนี้คนที่มีปัญญามากแต่ศรัท ธ, ธาน้อยเนี่ยมันจะเกเร มันจะเกเรแปลว่ามันไม่เชื่ออะไรจนเกินเลยเล ย, เลยทงไปเลยทีนี้ก็คิดควเ ე ้ไปกุศลจะมไีได้ก็ได้เหตุเพียงจิตตับาสเท่านั้นดังเนี้ก็ไม่ทําบุญมีทานเป็นต้นเขาบอกอเขาไปชวนชวนไปให้ทานผมไปไปแลอกนั่งอยู่นี้บุญเกิดก็เยอะมียอมคนหนึ่งนะเออเป็นเป็นนักกรรมฐานใหญ่เลยเนี่ยเป็นนักกรรมฐานใหญ่ๆจะเป็นโยมผู้หญิงนะอย่าไปเอ่ยชื่อท่านเลยท่านตายไปแล้วมีคนเขาชวนวะไปให้ไป ไปทอยกริ่น เ, เขาบอกโอ้ยไม่ไปแล้วก็ว่าเขานั่งอยู่ที่บ้านเขาได้บุญกว่าเยอะเขานั่งอยู่นี่ก็ได้บุญกว่าเยอะทีนี้คำพูดแบบนี้อย่างทีเป็นเหตุทําให้คนปฏิเสธทานเป็นการทําให้คนปฏิเสธทานในกุศลซึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในบา ร, รมีของพุทธเจ้าคือทานบา ร, รมีนั้นคนถ้าคนเข้าใจเสียก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าอุย้ยไปงั้นจะไปได้บุญอะไรก็ว่าแต่เขาพูดแกพูดหนักหนักกว่านี้นะ พูดหนักกว่านี้เด็นคำคำนี่ไม่เหมาะผมก็เป็นคําพูดหยาบหยาบด้วที่อกกินั่งอยู่นี้ได้บุญกว่าเยอะอย่างเงี้ยคนก็โอ้เอาคําพูดมานี้บอกลึกซึ้งเลยเ ก, กินอย่างเนี้ยคือสอนไม่ให้ติดทานอย่างเงี้ยซึ่งมันคนเลยประเด็นกันเลยลักษณะเงี้ยปัญญามันมากไปแต่ศรัทธามันน้อยพอศรัทธาน้อ ย, อนนอยมันจะเกเรยอย่างเงี้ยจะค่อยขๆไปเงี้ยจะโลดแล่นไปทางที่ไม่ค่อยถูกอย่างเงี้ยแล้วจะมองบอกว่าเราทำนั่งอยู่งี้ทํา หนึ่งกุศลจิตบาปขณะจิตเดียวก็เป็นบุญอย่างมหาศาลอยู่แล้วทํำไมจะต้องไปให้ทานทำไมจะต้องไปรักษาศีลไม่จําเป็นเลยไปให้ทานไปรักษาศีลเนี่ยเท่เรานั่งทําใจให้เป็นบุญกันอยู่เราก็ได้เยอะแยะแล้วเห็นไหมวิธีคิดอย่างเนี้เหมือนจะถูกแต่มันไม่ถูกมันเป็นปัญญาไม่เป็นปัญญานะี่แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยควรทําทั้งหลายๆวิธีหนึ่งทานนะกุศลความถามบอกว่าถ้าไปเป็นคนมีปัญญาแต่คนขอทานเงี้ยเอาไหม มันต้องยกให้เขาเห็นว่าจริงๆที่คุณขาดมันขาดข้อใดข้อหนึ่งมันก็เสียนะใช่ไหมหรือเป็นจนจนไม่มีที่จะอยู่อาศัยเลยแต่มีปัญญามันก็ลําบากอีกมันก็ต้องยกตัวอย่างว่าเออขี้เลมากหน้าตาหน้าเกลียดแต่มีสติปัญญามากนี่มันขาดศีลเออต้องบอกเขาเนี่ยศีลกุศลนั่ขาด ก, ก็ต้องแยกแยะไปเขาบอกว่ากุศลมีด้วยเหตุเพียงจิตบาปเท่านั้นดังนี้แล้วก็ไม่ทําบุญทีนี้บางกลุ่มไม่อย่างนั้นนะ เมไปพยยิจารณาว่าให้ทานให้ไปทํามนั่งอยู่เฉยๆก็ทําบุญได้เนี่ยเขาเขาเขาเขจะพูดกันอย่างงี้นะบางคนไปวัดยัไม่เห็นต้องไปขนาดนั้นเลยบางคนต้องไปทําบุญทำทุกวันนั่งอยู่เนี่ยมองๆทำบุญแต่เชื่อไหมบุคคลเหล่านี้ตายไปตกนรกคนที่เขาไม่ค่อยมีปัญญาอะไรมากหรอกเขไปทําเนี่ยเขาได้ไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยเสียหายเยอะหมดแล้วให้สังเกตดนูนะคนคนที่มีสติปัญญาอะไรค่อนข้างดีๆเนี่ย หลายหคนเนี่ยไม่เคยชอบทําบุญหรอกแต่เวลาใครมาคุยเรื่องบุญเรื่องบุญสนที่เคยยกตัวอย่างที่นิยมคนนึงอยู่กับที่จะรู้หมดเลยใครไปคุยเรื่องบุญเรื่องบุญสลแก่ฉลาดมากแต่แกไม่ไปหรอกเวลาใครทําบุญเนี่ยไปก็ไปอย่างนี้จะตายก็ลงนรกลำบากถ้าปัญญาและศรัทธาทั้งสองเสมอกันก็จะเลื่อมสายในวัตถุคือพระรัตนาตรัยอย่างเดียวนี่สำคัญไหมนะแต่ถ้าสมาธิกล้าวิริยะอ่อน โกสัจฉะคือความเกียจค้านก็ครอบงำได้เพราะสมาธินั้นฝักฝ่ายโกสัจฉะนั้นคนที่มีจิตเป็นสมาธิเร็วเนี่ยหลับง่ายให้สังเกตด้วยเียถ้าสมาธิเกิดเร็วเนี่ยหลับง่ายนั้นคนที่บอกว่าไม่เคยมีปัญหาเรื่องฟุ้งซ่านเลยไม่มีปัญหาเรื่องนอนเรื่องอะไรต่างๆนี้เลยคือคนสมาธิเขาดีแต่อะไรอ่อนนู้นไหมความเพียรง่อนใช่ไหมนั่คนสมาธิดีๆแตะเคยสังเกตนะ ที่คนบางคนเนี่ยก็นอนได้เป็นวันเขานอนจริงๆเลยนะน้องวันละหกปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็นอนเขาเนี้ยนี๊ก็ลองสังเกตดูถามไม่เบื่อเขาไม่เบื่อเขาบอกแล้วเขานอนก็มีกวาพวกนี้โกตรสัตย์ช้าเขาเยอะเกียดค้านเนี่ยไอเนี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรอ่อนเนาะวิริยะอ่อนเห็นไหมดังั้นคนที่ชอบนอนชอบอะไรต่างเหล่านี้ยไม่ชอบทํางานในพวกนี้ความเพียนมันอ่อนเขาไม่ค่อยฟุ้งนะพวกนี้ ไม่ค่อยคิดอะไรมากไม่ค่อยฟุ้งที่พวกที่วิริยะกล้าแต่สมาธิอ่อนนี่สิพวกนี้ฟุ้งซ่านมากก็เป็นอุดอุทจัเยอะคือกลุ่มพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้งานเหมือนกันนะแปลกนะสองกลุ่มนี่นะกลุ่มฟุ้งก็ไม่ค่อยได้งานกลุ่มนอนมากก็ไม่ค่อยได้งานไอ้ฟุ้ง เ, เนี่ยที่จะทํานั้นจะทํานี้อะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยทั้งวันนี่คิดไว้ซะเยอะเลยนะเนี่ยวางแผนไว้ซะเยอะเลยทําได้นิด มันพุงไปเดี๋ยวไ ป, ป น, นั้นก็ยังไม่เสร็จต้องรีบไปตรงนั้นอีกรีบไปตรงนั้นอีกทังบอกว่าหนึ่งความเพียรมันมากเกินไปก็อุทธจยาสมาธิมากเกินไปก็เกียรติคานฉะนั้นสมาธิที่ประกอบกั บ, กบวิริยะก็ย่อมไม่ตกไปในโกศัช้าวิริยะที่ประกอบกับสมาธิก็ไม่ตกไปในอุทธิยาเพราะฉะนั้นจึงควรทําอินทรีย์ทั้งคู่นั้นให้เสมอเท่ากันอัปปนาก็จะเกิดได้นั้นต้องเกียรติตรงนี้ก็คือว่า ถ้าสมาธิที่ประกอบกับวิรยิยะก็ไม่ตกไปกับโกสัจฉะไม่ต่าเออถ้าสมาธิมีปุ๊บและมีวิริยะเข้ามาเสริมก็จะไม่เกียจค้านอถ้าเรามีเจริญวิรยิยะแต่ให้มีสมาธิมาคู่ด้วยเราก็จะไม่ฟุ้งสังเกต ด, ดูนะว่าถ้าฟุ้งแปลว่าอะไรสมาธิเราน้อยถ้าเกียจค้านแสดงสมาธิมากเกินไปอันนี้ก็ต้องคอยสังเกตไมว่าเวลาเจริญกรรมฐาน มีการกําหนดอาณาพานาสติห ร, รือเจริญอะไรต่างให้สังเกตเนี่ยว่ามันจะฟุ้งหรือเปล่าหรือว่ามันจะมันจะไม่เดินหรือเปล่าบางทีเวลาไอสมาธิมันเข้าปุ๊บเวลาความง่วงมันเข้ามาปุ๊บนี่กําหนดไม่อยู่ลืมหรือว่าเพลินไปเงี้ยหลับไปเงี้ยหรือบางทีฟุ้งส่งเลยเนี่ยนะอันนั้นเพี้ยนเกินไปอันนก็สังเกตให้ดีเพราะฉะนั้นควรทําอินทรีย์ทั้งคู่ให้เสมอกันอีกอย่างหนึ่งคือศรัทธาแม้มีกําลังกล้าก็ควร แกผู้ที่เจริญสมาธิเพราะเจริญสมาธิเชื่อมั่นอย่างลงอย่างนี้แล้วก็จัก็นรู้อัปปนาด้วยหมายความบอกว่าเออถ้าศรัทธากล้าดีนะดีในขณะที่เราเจริญสมาธิต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้มากประการต่อมาคือสมาธิกับปัญญาผู้เจริญสมาธิคือเจริญเอกขคตาที่มีกําลังกล้าก็ควรแก่แก่ผู้เจริญสมาธิแก่แก่ปัญญาเนี่ยนะสําหรับผู้เจริญวิปัสสนาปัญญาปัญญามีกําลังกล้าสมควรแล้ว ผู้เจริญวิปัสสนาย่อมถึงแทงตลอดไตรลักษณ์โดยปัญญานี้ได้สมาธิกับปัญญาทั้งสองอย่างนั้นเสมอการอัปปนาก็จะมีได้เขาบอกว่าถ้าเราจะเจริญสมาธินะเจริญสมาธินี่นะมมนนนปัญญ า, าใช้ปัญญาไม่มากใช้ปัญญาไม่มากถ้าปัญญากับสมาธิเสมอกัารพบเนี่ยคนนั้นบนรรลุอัปปนาได้เร็ว ได้เร็วมาเพราะการเจริญสมาธิหรือเจริญสมาธา น, นี่ยท่านไม่ได้ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าดิ่งแนวอารมณ์และปัญญาก็มีความเข้าใจในอารมณ์นั้นอย่างเนี้ยไม่ได้มาแยกแยะอารมณ์นั้นให้ละเอียดละออใดๆแต่สตินั้ น, นจําปรารถนาในกิตทั้งปวงนะคือสติมีกําลังควรในกิตทั้งปวงสติย่อมรักษาจิตไม่ให้ตกไปในอุท ธ, ธจักเดิมได้ของศรัทธาวิรยิยปัญญาซึ่งเป็นปักปัอยอุท ธ, ธจัก และสติก็รักษาจิตไม่ให้ตกไปในโกสัจฉะสมาธิที่เป็นฝักใฝ่โกสัจฉะให้สังเกตด้วยนะว่าอุทธยาเนี่ยศรัทธาวิริยะและปัญญาเนี่ยถ้ามีสามตัวนี้มากๆเนี่ยโดยมากฟุง้งเช่นศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความเพียรในการที่เจริญญนผลมีปัญญาพยายามมาคิดเนี่ยแต่ขาดสมาธิฟุง้งกลุ่มนี้ฟุง้งหมดเลยคือมีศรัทธาไม่ศรัทธาเพียรไม่เพียรมีปัญญาไม่มีปัญญาจะฟุง้ง เพราะสมาธิไม่ประคับประคองเขาไว้ปรุงหรือถ้าหากว่ามีเกี่ยวในเรื่องของว่าสติรักษาจิตที่ที่ให้ตกไปในโกลัสัจฉะเพราะสมาธิ ป, กปกักปายกลัวสัจฉะคือสติจะคอยรักษาถ้าสมาธิสติจะคอยประคับประคองไม่ให้สมาธิมากเกินไปเพราะฉะนั้นสตินั้นจังจำปาถนานในที่ทั้งปวงเขาบอกว่าเหมือนกับการปรุงรสแล้วทําอาหารเนี่ยเขาบอกเกลือเนี่ยสําคัญที่สุดว่าการทําอาหารเนี่ย ที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่ากเกลือเกลือเข้ากับอะไรได้หมดเข้ากับเผ็ดก็ได้เข้ากับเค็มก็ได้เข้ากับอะไรต่างๆหวานก็ได้นี่นี่ยอบอกว่าคือเหมือนสติอ่ะสติเหมือนเกลือเวลาจะทําอาหารเนี่ยเขห้ามขาดเกลือเหมือนอัมมาศผู้ชํานาญในราชกิจทุกอย่างจําปราถนาดในราชกิจทุกอย่างก็อบอกว่าอัมมาศที่ชํานาญนี่ น, านา่าคนบางคนเนี่เป็นอย่างนี้ไงเป็นคนที่ชํานาญก็จะตั้งให้อยู่หลายคณะหลายเนะี่ยใช่ไหม แ้่เรามีบริษัทก็ดี้างร้านอะไรต่างได้คนคนนี้เก่งเ็าตัาง้งเป็นกรรมการปัญญาการคบหาบุคคลผู้ประกอบไปด้วยปัญญาก็คือรอบรู้ความเกิดขึ้นและความสื่อมไปของสภาวะธรรมก็กำหนดลักษณะห้าสิบพิจารณาเห็นความไม่เชี่ยงพิจารณาโดยความเป็นโทษเป็นภยัยเป็นหัวผีเป็นลูกศรก็าวาพิตาลําดับเันสี่สิบสี่สิบอย่างห้าสิบอย่าง หรือพิจารณาอย่างนี้บอกว่าเอารูปปัจขันมาก็พิจารณาห้าอย่างใช่ไหมพิจารณาห้าอย่างห้าอย่างรูปปัจขันเหตุเกิดห้าอย่างเหตุเหตุดับอีกห้าอย่างก็เป็นสิบแล้วเวทนาขันก็เหตุเกิดห้าอย่างเหตุดับห้าอย่างสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่างละอย่างละสิบอย่างละสิบก็สิบห้าก็เลยห้าสิบอย่างเช่นอวิชาเกิดรูปปัจขันยิ่งเกิดเนี้ยตัณหาเกิดรูปปัจขันยิ่งเกิดกามเกิดรูปปัจขันยิ่งเกิด แล้วก็อาหารเกิดรูปปัจขันยงเกิดนิพพติลักษณะคือการเกิดขึ้นของรูปปัจขันตั้งแต่ปฏิสนธิขนาดเป็นต้ น, น, นการเกิดขึ้นรัางหนนี้ห้าถ้อาอวิชาดับรูปปัจขันต์ก็ดับตัณหาดับรูปปัจขันต์ก็ดับกรรมดับรูปปัจขันต์ก็ดับอาหารหมดรูปปัจขันต์ก็ดับแล้วก็วิปปินามลักษณะคือลักษณ ะ, ะการดับไปของรูปปัขันต์นี้เ <variability> ป็นสิบนะเวทนาสัญญาสังขาร เ, เวทนาละอวิชาเกิดเวทนาเกิด ตัณหาเกิดเวทนาเกิดกรรมเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดแล้วก็นิพพติลักษณะคือลักษณะการเกิดขึ้นของเวทนาดับก็อย่างนั้นเน่ยอวิชาตัณหากรรมผัสสะแล้วก็วิปริณามลักษณะก็ห้าประการนี้ปรดับแต่ละอย่างก็เป็นห 5, 5้าห้าถ้เป็นห้าสิบกำหนดลักษณะทั้งห้าสิบเหล่านี้ยพิจารณาสภาวธรรมเหล่านี้ได้จะเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาก็ธรรมวิจยะสัมโพชงก็จะเกิด การครบหาบุคคลผู้มีปัญญาการพิจารณาประเภทแห่งปัญญาอันลึกซึ้งที่เป็นไปในสภาวะธรรมในขันอยนายตนะธาตุพิจารณาความเป็นไปแห่งยานอันลึกซึ้งความเป็นผู้มีจิตโน้มไปเพื่อให้ธรรมวิเชญาติสมบูชงตั้งขึ้นในอยาบททั้งหลายเช่นในยาบทยืนในยาบทนั่งเดินนอนคูเหยียดก้มเงยเนี่ยการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง พิจารณานให้ให้ให้ปัญญาเกิดก็คือความน้อมจิตไปในธรรมวิจยะสัมโพชงฉะนั้นเจเธอย่อมรู้ชัดบอกว่าธรรมวิจยะสำโพชงที่เกิดด้วยการอย่างนี้แล้วก็ย่อมบริบูรณ์ด้วยอรหัต h a m a k ถามบอกว่าถ้าตราบใดยังไม่บรรลุอรหัต h a m a k ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยพวกธรรมวิจยะสำโพชง์จกไม่บริบูรณ์ถึงที่สุดอันนี้ก็เรารู้แล้วใช่ไหมว่าหนึ่ง ธรรมวิจยยสัมโพชงเนี่ยจะเกิดด้วยวิธีอะไรก็รู้รู้ยังไงก็รู้ว่าธรรมะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมที่มีโทษธรรมไม่มีโทษธรรมที่ซ่องควรเสพไม่ควรเสพธรรมที่เลวและประณีธรรมที่เป็นธรรมดำและธรรมขาวการที่ทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสการในธรรมเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นปัจจัยเป็นอาหารเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมะธรรมวิจยยสำโพชง์ที่ยังไม่เกิด นั่นถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วเป็นทางไพบุญเจริญบริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปแห่งธรมมธรมะธรรมวิทยาสำโพชงที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เหตุเกิดของธรรมวิทยาสัมโพชงก็คือการสอบถามการทําวัตถุให้สละสลวยการปรับอินทรีย์การเว้นบุคคลผู้มีปัญญาสามการคบหาบุคคลผู้มีปัญญาการพิจารณารทำยาันลึกซึ้งและความน้อมจิตไปในธรรมวิทยาสัมโพชงในียาบททั้งหลายยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นแค่เวลา การเป็นผู้มากไปด้วยการสอบถามถามเรื่องอะไรถามเรื่องขันเรื่องธาตุอายตนะเรื่องอินทรีย์เรื่องพรละเรื่องโพุทธชงเรื่ององค์มรรคเรื่ององค์ฌานเรื่องสมาธิเรื่องวิปัสสนาอันนั้นเป็นการสอบถามนีเข้าไปแล้วก็ไปถามส่วนการทําวัตถุให้สลาสลวยก็ดังที่ได้กล่าวเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นเหตุเกิดเป็นอาหารเป็นอาหารของธรรมวิจยตรสำพุทธชงแล้วก็ปรับอินทรีย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะจนถึงดังที่ได้กล่าวมาเป็นไปตามลําดับ เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าน้อมกิดไปในในธรรมวิจยตสัมโพชงดังนั้นการเจริญธรรมวิจยตรสำโพชงเจริญยัง่งคือถ้าเรามีมีรูปแบบมีหลักเกณฑ์ในการที่จะเจริญก็ก็ได้เพราะก็เจริญกันลักษณะใหม่ๆก็คือฟังเนี่ยฟังการเรียนการทำความเข้าใจแล้วก็ไปนึกน้อมไปแยกแยะไปพิจารณาไม่ไม่ใช่มีกิดอยู่แค่ฟังอย่างเดียว ไปก็ไปคายควรไปพิจารณาไปแยกแยะแล้วก็ไปสอบถามเรื่องขันเรื่องอายทะนะเรื่องธาตุเรื่องสัจจะเรื่องอินทรีย์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเรื่องอะไรต่างๆก็ไปแยกนี่ก็เริ่มเข้าใจก็เข้าใจเบ็ดเสร็จก็เอาแล้วขั้นต่อไปก็เริ่มทําวัตถุให้การสอบถามก็ทําวัตถุให้สลาสลวยพอทําวัตถุให้สลาสลวยเบ็ดเสร็จก็เอาเข้ามาถึงขั้นในการปรับอินทรียปรับอินทรีย์ก็ว่าการนี้คือ ธรรมะวิจัยนั้นธรรมะวิจัยสําคัญไหมสําคัญสติสติยิ่งสําคัญใหญ่ประการต่อมาคือวิริยะสัมโพชฌงวิริยะคือความเพียรเมื่อวิริยะสัมโพชฌงมีอยู่นภายในจิตก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌง์มีอยู่นภายในเมื่อวิริยะสัมโพชฌงไม่มีอยู่นภายในจิตก็รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌงไม่มีอยู่นภายในจิตอันนี้ดูความเพียร น, นะอันหนึ่งวิริยะสัมโพชฌงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยตรนี้ม วิทยาสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจักเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยถามว่าวิทยาสัมโพชง์ย่อมเกิดขึ้นตามในแห่งกคำพิสังยุตในมหาวัตนี่นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไงแต่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุคือความเริ่มความเพียรการเริ่มความเพียรเนี่ยท่านเรียกว่าอารัพธาตุอาราัพะการเริ่มธาตุคือความอดคือความออกพ้นไปจากความเกียดค้านเขาเนิกกรรมธ า, าตุถ้าเกียจค้าน ถ้าเราเริ่มจะตั้งความเพียรอันนี่คือเรียกอารัปธาตัดแต่ถ้าหากเราเกียร์ค้านและสลัดความเกียร์ค้านออกได้สลัดความหดหู่สลัดความท้อถอยออกได้อันนี้เขาเรียกนิกรรมธาตุออกได้ยังถ้าออกได้เป็นนิกรรมธาตุถ้าบอกปารอบยังไม่ปลารอบเลยนั่นก็บอกไม่ได้เลยความเพียรเบื้องต้นถ้าคือความก้าวไปข้างหน้าเขาเรียกปรัชรามธาตุก้าวไปข้างหน้าก็แปลว่าไม่ใช่แค่ออกจากความเกียร์ค้านอย่างเดียวยังมุ่งมั่นในการนี่จะเจ ร, ริญศีลกุศล สมาธิกุศลภาวนากุศลยิ่งๆนั้นการทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสการในธาตุเหล่านั้นอันนี้เป็นอาหารนะอันนี้เป็นปัจจัยของวิทยาสัมโพชชง์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นทางไพบูรเป็นทางเจริญบริบูรณ์ยิ่งๆไปของวิทยาสัมโพชฌงที่เกิดขึ้นแล้วนี่เราก็รู้แล้วใช่ไหมรู้ว่าเออความเพียรเป็นยังไงหนึ่งเริ่มปรารอบความเพียรเขาเรียกอารัปธาตัสลุดออกจากความเกียดค้านเรื่องนีนน้กรรมาธาตุ ถ้าก้าวไปข้างหน้าอั น, นเป็นป ร, รัชกรรมธาตุเราแยกแยอย่างนี้ถ้ารู้ตรงนี้ได้แล้วก็ไม่เกียดค้านแล้วสบายแล้วไปใช้ในการทําสวนนี่ทําได้ทั้งวันเลยเดนี้บอกไม่ใช่ขนาดนั้นนะมาเจริญกุศลไม่ใช่แค่ขยันทําสวนอย่างเดียวนะก็คือเอาไปเจริญกุศลในการที่จะทานนกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นอี่นี่นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าสรุปสรุปหน่อยนอะอืนี่เหลือยาวเกินอะไจะไม่ทัน ที่จริงทำสิบเอ็ดประการนี้เป็นเหตุให้เกิดวิทยาสัมโพชงนะหนึ่งการพิจารณาเห็นภัยในไบยภูมสองเห็นอนิสง์เห็นอนิสง์ของความเพียรเป็นต้นสามพิจารณาเห็นทางดําเนินไปสี่เคารพยําเกงต่อบินธบาตห้าการพิจารณาเห็นความเป็นใหญ่โดยความเป็นทายาทของพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็หก็คือพิจารณาความเป็นใหญ่ของภาษาสดาเจ็ดพิจารณาเห็นความเป็นใหญ่โดยชาติ แพิจารณาถึงความเป็นใหญ่โดยความเป็นสัพพมาจาลีเก้าเาเว้นบุคคลผู้เกียรติค้านสิบคบหาบุคคลผู้ปาราบความเพียรสิบเจ็ดก็คือน้อมใจไปในวิยาสมโพธชงข้อแรกคือพิจารณาเห็นภายในอบายพิจารณายัางไงใครก็ไม่อาจที่จะยังวิยาสมโพธชงได้ในเวลาที่เสวยทุกใหญ่ก็หมายความบอกว่าเออถ้าเราถูกจองจําเนี่ยมือและเท้าอกในนรกเป็นต้นเหล่าเนี้นั้นเวลาถูกเครื่องจองจํา เอางี้นะว่าอาทับสมมติว่าเป็นมนุษย์ไปถูกลงโทษถูกจับขังคุกเป็นต้นนโอกาสที่จะเจริญวิทยาสัมพอชงไม่มีอาจไปเกิดเป็นสัตว์นรกอย่างพระเทวทัศน์เป็นต้นในเวจีเป็นต้นเนี่ยหมดโอกาสเลยใช่ไหมเอาขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในน้ําจะมาเจริญวิทยาสัมพอชงไม่ได้แล้วคอยหลบแหบางประตักบังสัตว์สัตว์เดรัจฉานเนี่ยพวกวัวควายเป็นต้นเหล่านี้ ทุรนทุลายหิวหรือถ้าไปเป็นเปรตนะไปเป็นเปรตโอ้โหเขาบอกว่าเป็นพุทธันดรเลยนะมีแต่หนังห้มกระดูกอยู่เนี่ยสูงประมาณหกสิบศอกแปดสิบศอกเป็นพ่ออสูรเป็นต้นเนี่ยสุรากายเป็นต้นเหล่านี้ก็เหมือนกันเปรตเนี่ยไปเกิดเป็นพุทธันดรญาติสมงพระ้าพิมพิสารนี่ไหมหนึ่งพุทธันดรเนี่ยตั้งแต่พระเจ้าองค์ก่อนนู้นกว่าจนมาถึงพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยโอ้โห ไม่มีเวลาเจริญวิริยะสัมโคชงเลยอหิวหิวเนี่ยตรงเนี้ยคเขาบอกว่าถ้าพิจารณา น, านี้มันจะได้เกิดความเพียรก็ว่าเงินหรือพวกอสูรทั้งหลายเนี่ยวอาสุรกายเนี่ยโอตายเลยไม่ไหวลมบางแดดบางอัตภาพที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกสูงร่างกายกระสูงเป็นพวกกาลันชิ ก, กะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวลานี้แหละเป็นเวลาที่เธอจับบำเพ็ญความเพียรเมื่อพิจารณาเห็นภัยในใบดังนี้แล้ววิยาสำโพชงก็จะเกิดขึ้นเออเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้นะที่ตอนนี้เป็นสมัยที่เราควรจะตั้งความเพียรได้แล้วนะหนึ่งสัตว์นรกต้องรู้กี่ผมเราก็ยังไม่ได้ไปเกิดเปรตก็ไม่รู้กี่จําพวกยี่สิบกว่าจําพวกไหมสัตว์เดรัจฉานอีกมากมายนะไหยอสุรกายที่มันหิวโหยมีแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่ โอ้เราพ้นจากใบยมิอยู่ตอนนี้ถ้าไม่รีบตอนนี้มันจะรีบตอนไหนอะไรต่างก็พยายามเตือนตัวเองหรือว่าอย่างเราไปชาติหน้าเราก็คงจะไปดีเราไปทําชาติหน้าดีกว่าอย่างนี้คือขาดความเพียรนะจะคิดอย่างเนี้หนึ่งให้ปาราความเพียรแล้วก็สองให้ออกจากความเกียดค้านสามให้ก้าวหน้าไปใครเจริญกุศลให้จริงๆนี่เขาเรียกว่าพิจารณาเห็นภัยในใบยมิเห็นไหมเหรอเนี้ยจะพิจารณานี้เห็นไหม ถ้าไม่เห็นก็ไปมองจิ้งจรบ้างต๊ะแก่บ้างมองเห็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆเป็ดไก่ห ม, มูหมาช้างม้าโอวกไก่ไปดูแล้วก็ไปปลาแล้ก็เออเนศีนกุศลเขาก็ทําไม่ได้ทานนกุศลเขาก็ทําไม่ได้สมาธิกุศลก็ทําไม่ได้ที่มีเวลาทําได้ไงใช่ไหมดูสุนัขเดี๋ยวยุงกัดยุงกินอะไรขึ้นมาเดี่ยววิ่งงอคางหาอาหารกินวันๆหนึ่งมันก็ลําบากมน้งนะตอวจะพักหนึ่งนอนเนี่ยไม่ได้มีสักเนี่ยพิจารณาอย่างนี้โอนไม่ไหว ชีวิตเคมีคอยหลบตะตากหลบแส้หลบโดนด่าโดนต้องให้เวลากเกวียนบ้างเพื่อพระในสมัยก่อนว่าจะเห็นตรงนี้ก็จะนึกถึงสูตรนี้ไหมพอเห็นหมูเห็นช้างมาวัวควายกําลังลากเกวียนอะไรต่างๆก็จะปลาลบว่าเรายังไม่พ้นเรายังไม่พ้นเราปลาลบอย่างเนี้ยเราคิดแบบนี้ไหมเห็นเขาบรรทุกวัวบรรทุกหมูบรรทุกอะไรต่างๆผ่านหน้าไปเห็นช้างกําลังลากไม้อยู่คิดไงว่าสวยดีจังช้างตัวนี้ นี่เมืกี้นี้เขคิดว่าเรายังไม่พ้นเรายังไม่พ้นก็หันมาเจอเลยปารัความเพียรรีบออกจากความเกียดค้านใช่ไหมรีบออกจากความเกียดค้านหนึ่งปารบก่อนสองออกจากความเกียดค้านะปารบก่อนแล้วก็ออกจากความเกียดค้านแล้วก็ก้าวก้าวนิคัมมทาคืก้าวไปเรียนเห็นอานิสง์ของวิริยะคนเกียดค้านไม่อาจที่จะให้โลกุตละรำคือมรซีผลสี่นิพานหนึ่งเนี่ยทั้งคนที่ปารับความเพียรเท่านั้นจะถึงจะได้ แต่ว่าเออคนที่บรรลุเป็นพระโสดาบันสกท า, านาคาพระหลานคนที่ได้พระนิพพานเอาเอาง่ายๆว่าคนที่เป็นเทวดาเป็นพรหเนี่ยก็ได้เยอะเพราะความเพี ย, นนยรนะแล้วเขาจะเจริญกุศลที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นต้นแต่นี้เราสูงสุดเลยก็พิจารณาบอกคนเพียรเท่านั้นแหะที่จะได้โลภุตาละคนขี้เกียจคนเกียดค้านจะไม่ได้โลภุตาละทำนี่คือพิจารณาแบบสั้นย่อเลยจะไม่ ง, ง่ายๆเลยว่างคนบรรลุคือเวทยนะทุกขมะเจตี คนจะพ้นทุกได้คนจะปริญนิพพานได้ต้องมีความเพียรด้วยนะไม่มีอะไรได้มาเพราะความเกียดค้านนะไม่มีแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยไม่ต้องเพียรก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องเพียรก็ได้แต่ถ้าจะออกจากภพชาติเหล่าเนี้ยต้องเพียรยังไพิจารณาเห็นทางดําเนินวิริยะสำโพชงนี้แม้แก่ผู้พิจารณาเห็นทางดําเนินว่าเธอพึงเดินทางที่พระพุทธเจ้าพระปเจกพระเจ้า พระมหาสาวกพระุู้แล้วก็พระผู้ของพระเจ้าทั้งหมดได้เสด็จดําเนินไปแล้วทางนั้นนะ่ะคนเกียรติค้านไม่อาจจะดําเนินไปได้ตามนี่พระเจ้าไปแล้วนะทางเนี้ยพระปเจ้าพระเจ้ า, จาสาวกของพระเจ้าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเข้าไปกันหมดแล้วทางเนี้ยฉะนั้นคนที่จะไปทางนี้ได้ก็แปลว่าจะไปเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดได้นี่นะก็คือคนขยันนะ่ะคนมีวิริยะสัมพ่อชงเท้านั้น คนเกียร์ค้านเนี่ยไปทางนี้ไม่ได้ต้องเขียนไว้ทางนี้ไม่รับคนขี้เกียร์เดีเ๋ยวมัก็เขียนเงี้ยนะไม่รับคนเกียร์ค้านกลับไปไปเขียนติดหน้าบ้านด้วยก็รับบอกบ้านนี้ไม่รับคนเกียร์ค้านตามทํางหมดเริยะสำพูดชงความยำเกรงต่อบินทบาทตรงนี้ท่านให้พิจารณาอย่างนี้บอกว่าภิกษุพิจารณาเห็นความยำเกรงซึ่งบินทะบาทที่เกิดขึ้นกับพระมหามิตาเทระคือ เหล่าชนที่บำรงท่านด้วยปัจจัยมีบินดาบาดจีวร อ, อาหารเป็นต้นเหล่านี้นะเหล่านี้ไม่ใช่ญาติของท่านเลยไม่ใช่ทาตกรรมกรทั้งเขาก็ไม่ได้บินาบาัดไม่ได้ให้บินดาบาดเป็นต้นอันปรนีแก่ท่าน้วยคิดว่าพวกเราจะกตารงอยู่เพราะอาศัยท่านโดยที่แท้เขาหวังอะไรเขาหวังสักการะของตนว่าจะมีผลมากจึงพากันมาถวายก็สอนให้พระคิดนะนะ แม้พระศาสนาก็ไม่ได้เห็นว่าภิกษุนี้บริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจะมีร่างกายแข็งแรงมากอยู่เป็นสุขแล้วทรงอนุญาตปัจจัยแก่เธอพิจารณางนี้แล้อนุญาตปัจจัยเหล่านั้นด้วยทรงประสงค์บอกว่าภิกษุนี้เมื่อบริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจากบาเพ็ญสมณะธรรมแล้วก็จะพ้นจากวัตถุวัตถุทุกขได้บัดนี้เธอเกียรติค้านอยู่ จากไม่ยาเกงบินดาบานั้นขึ้นชื่อว่าความยาเกงในบินาบาตจะมีเกียรภิกษุผู้ ป, ปราบรับความเพี่ยนดังนั้นท่านคิดพิดดดจรารณาอย่างนี้เอาคําสอนของพระเจ้ากลับมาพิจรารณาดูเอ อ, อญาติยมดีก็มาถวายอาหารปัจใจสี่ทั้งหลายเลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้หวังพึ่งอะไรกับเราที่เขาหวังว่าจะมีผลมากแต่เราเกียรติค้านอยู่อย่างเนี้ยอาหารบินาบาบเป็นต้นเหล่านี้ที่เขานามาให้เราจะมีผลมากได้อย่างไรประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็คือบอกว่าเออพิสูจน์ในบริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจะมีร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นสุขไม่ใช่ผู้เจ้าสอนอย่างนั้นนะจึงได้อนุญาตอาหารแก่เธอโดยที่แท้อนุญาตด้วยมีภาพประสงค์บอกว่าเออเมื่อได้บริโภคปัจจัยเหล่านี้แล้วจะได้บำเพ็ญสมณะธรรมแล้วจะได้พ้นจากชาติทุกชราทุกเมรณะทุกโสกาวบริเทวะทุกกรทมณะสาอุปายาตจะได้พ้นจากสังสารวัฏถ้าเธอถ้าเรายังมีเกียรติค้านอยู่ไม่ยำเกียงตบินนบัตจะชื่อ พราะเชื่อว่าความยำเกลงนี่พี่เธอถ้พิจารณาอย่างนี้ออจะเป็นประใจความบนทุกข์อิเมโควัชชัตโยด้ำม่าอกุสลา ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้น <โล S 1> เป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์พสุนทบร ก, กรมโมวัดกลางอำเภอบางปละมาจังหวัดสุพรรณบุรีรท่านผู้ฟังครับการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง สมดังพุทธภาษิตบทที่วา่าสัพพานาังธรรมทานาังชินาติขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่ทททานสวัสดีครับโมโหขโวัชอุสลัมอโมโหกุสลม ปานอาทิปย์ตัวข अ วัชกุศลํปานอาทิตย์พาตาเบระมันกุศลอดีนนาด โคบัชกุศลัมอดิน न าดานาเวรมันยุ कामेशु म ि च ् छ ा च ा र ो खोवच्छ अकुसलम कामेशु म ि च ् छ ा च ा र ा बेरमनी कुसलम म ู स ा व ा द ो क คว च ชกุสเลมมูซาบาดาเวรามันกุสล बिसुना ब ा च ा खोबच ् अकुसलम बिसुना य ब ा च ा य ब े र म न ु कुसलम รูสาวาจะโขวัชทุสลํัมารุสายว่าชัยเวรมณี สัมผปลาเปลโขวัตชะกุศลัสัมผปลาปาเวรมนกุศลอะิา खोबच्छ अकुसलम अ न भ ि च ् छ ा कुसलम व ् य ा प ा दो खोबच्छ अकुसलम अ व ् य ा प ा दो कुसलम ज ा द ि त ्ि कोवच्छ अकुसलम समादित्ति ् म कुसलम इति कोवच्छ द स ध म ् म ा Kusala dasa dhamma kusala.